จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบารษันผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมทางด้านทานสิงภาวนาทา่านผใดมีความสนใจอยากจะถามองถามบ้าเชิญเข้ามาได้ คันนี้เราก็จะเริ่มไปที่เด็กๆก่อนเอ า, า NK ก่อนนะมาอย่าง NK น้วคุณนั่งดีๆลูกสวัสดีค่ะกลาบค่ะพระอาจารย์บุณนั่งดีดก่อนอคุณพออยู่ตรงนี้ค่ะกลาบอเคครับวันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์อ่าสบายดีนะ อายดีค่ะเมื่อวานนี้นั่งกำลังจะนอนค่ะนั่งถ่ายถ่ยเฟซแล้วกำลังเครียดเรื่องงานพอดีอมีบทบทคำสอนของอาจารย์เรื่องอะไรนะคะการทำงานถ้ามันมันเขียนว่าอะไรนะคะ ถ้างานมันเยอะไปก็ให้ให้วางลงให้ทําให้น้อยลงใช่ไหมคะขึ้นแบบพอดีก็เลยคิดได้ค่ะวันนี้นั่งงานรังเยอะเลยคะ่ะเอทําตามกําลังของเราถ้ามากเกินําลังก็หยุดไปแล้ววันนี้หยุดกลับมาต้องเปิดไหม่ให้พูดเอจะพูดต่อบป่าพูดต่อบต้องเปิดใหม่ไห ตะวัดวยสิไม่จังค่ะค่ะพระอาจารย์จอม่วนเลยที่ไปทำไรมาช่วงนี้โรงเรียนหยุดค่ะไม่ได้ไปป่วนทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้นอนกลางวันจะเลยง่วงตั้งแต่สีทุ่มสามทุครึ่งเนี่ยค่ะโอเคอ่าเป็นกรรมของเรานะต้องเลี้ยงเขาพีกกำลังพีเลยค่ะฮอร์โมนเขาพุ่งพากับพอดีวันนี้ได้รับของ อ่าดูไปแล้วพี่จูเมตตาส่งหนังสือสวดมนต์ของพระเจ้าหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มาให้ค่ะขอบคุณอโอเคเอา่าเราทำมาเป็นที่พึ่งทางใจนะอ่าขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์กราบค่ะกราบทุกอ่ า, อาไปที่จะแม้กับเจ้าที่นี่เป็นร่รงางร่สกันพระอาจารย์ครับ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 ว่าเราจะต้องพรกผ้าจากของจักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม ม, มีกรรมเป็นที่พึนน่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเ ป, เป็นทา ย, ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดร่างกายเรามีอะไรบ้างผอมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ว์หัวใจตับปังพื้นไตปอดไข่ใหญ่ไข่น้อยอาหารใหม่อเก่าเย่ในสมองสีสัน้ำดีน้ำทะเลน้ำเหลวน้ำเลือดน้ำเนี่ยน้ำมันคนน้ำตาน้ำปกาเหลวน้ำลายน้ น้ำเปอนน้ำน้ำพุน้ำเปลน้ำน้ำี่ยนน้ำาลนนน้ำเหนียน้ำเลื่อนน้ำเปลือน้ำเฉลดน้ำดียานสมองจีสะอาหารเก่าอาหารใหม่ช่อ้อยช่หญ่ปอดไตของผืนับหัวใจม้ายในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหังฟันและนอ่า มีอะไรจะถามไหมไม่มีครับยังนั่งสมาธิทุกข์ขึ้นเยอ่านั่งครับครับแล้วนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างจิตใจสงบไหมก็บางวันก็สงบบางวันก็ใช่ครับแล้วยังมีทุกข์อยู่บ้า <c oughs> งก็มีบ้างครับ <c oughs> แต่อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าแต่ก่อนครับ เวลาทูบเรโทษใจรดี่ะโทษตัวเราครับเนี่ยโทษอะไรโทษตัวเราโทษตรงไหนโทษ invisible m e n t โทษอะไรในตัวเราโทษกิเลสครับอ่ษกิเลสนีกิเลสมีอะไรบ้างล่ะไม่รู้ไม่รู้ขับตามโลก กบปดหล่มครับอขอบขรหลวงอย่าโรอย่าอย่ารค ก, กวนแม่ขอเงินขอหนีน้เรี <c oughs> ยกว่าโรคถ้าอยาก <c oughs> ได้อะไรก็ไม่ต้องขอเราพูดให้แม่ฟังว่าตอนนี้กัะเทงขาแล้วแม่ทำยไงดีครับนข้าใจ <c oughs> ไ, ไหม <c oughs> ถ้า <c oughs> มีการจำเป็นก็รายงานแต่อย่าขอขอเรียกวนะ่าโรคครับ อ่าถ้าบอกว่าเสื้อขาดกางเกงขาดกางเกงสายไม่ได้รองเท้าคับแล้วแคบใส่แล้วเจ็บเท้าอืาอย่างนี้ไม่เรียกว่าไมโไมรค <ำ S 1> ไม่เรียกว่าโรคนี่เรียกว่ามีเหตุผลมีความจําเป็นอ่ครับครับอ่าไม่ใช่แม่ขอซื้อเกมอขอซื้อนู่นซื้อนี่อย่างนี้เรียกว่าโลคนะครับครับ เข้าใจไหมอยากับพอขอแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะเสียใจครับแต่บอกเฉยๆว่าเนี่ยเกมนี้ก็ดีนะแม่นี้่แต่แม่แม่ซื้อให้ก็ดีไม่ซื้อให้ก็ดีครับนอย่าขอเนาะพยายามฝึกหัดอยากขอยินดีตามมียินดีตามมีตามเกิดมากน้อยสันโดษ ครับครับแล้วจะมีความสุขการโลมาแล้มันจะมีความชุกเพราะได้เวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจครับได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดียวก็อยากจะได้อีกละครับได้มายากคอยควบคุมความโลภอัญญายังปล่อยให้มัน ม, มีเล็ดเบลเด่นต้อ ค, ครยปมันคอยปลามัน ถ้าขาดเนี้ออะไรจำเป็นอะไรก็เราให้แม่สามารถว่าวันนี้กําลังขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้เออไปแต่อย่าไปขอครับถ้าไม่ได้การอยู่ตามสภาพไปใส่มันขาดขายกา็เสื้อขาย ก, ก็ใส่ไปก า, กางเกขายก็ใส่ไปเดีย๋ยวแม่ก็เห็นเขาสงสารเองเขาชื่อให้ครับครับนี่คือ สิ่งที่พระเจ้าสอนให้พวกเราชาวพุทธพยายามปฏิบัติกันคือให้มักน้อยสันโดษอย่าโลภโลภเราจะทุกข์ทำมักน้อยแล้วไม่ทุกขยินดีตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดคีครับครับโอเคนะครับไม่มีอะไรนะมันจะมไม่มีครับ โอเคเห็น okay. ไปที่คุณหมอพี่เชษทีกกท่ก่อธรรมบุพระาจารย์ครับแจ้งคุณหมอเอานามัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายข้อธรรมะจากในเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ที่ว่าเราปฏิบัติเพื่อควบคุมใจของเราไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ยังเป็นสมมุติอยู่ไม่เที่ยงถ้าได้ถ้าควบจิ้มได้ ก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากอุเบกขาทราบพะจังได้ยินไหมครับได้ยินเลยก็คือความสุขมันมีสองแบบความสุขที่เรียกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาอันนี้เป็นเรื่องของขันนามาขันร่วมกับของขันห้า ความสุขที่เราได้ผ่านทางตาหูมจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลภภิ่นรสฝนตะระความสุขที่เราได้จากอาลาภยศสารเสริญอันนี้เป็นความสุขที่ไม่ไม่เที่ยงแน่นอนไม่เทียงแกแน่นอนมีเปลี่ยนได้มีเจริญมีเสื่อมได้มีสุขแล้วก็มีทุกข์ตามมาได้เวลามันเสื่อม เราอย่าไปยินดีกับความสุขทางโลกกโลกธรรมนี่เพราะว่าเวลาไปยินดีแล้วเดี๋ยวเกิดเวลามันเสือ่อมเวลามันเปลี่ยนไปหรือเวลามันหมดไปมันจะทำให้เราทุกข์ไห้มายินดีกับความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ได้จากการไม่โลกไม่อยากได้อะไรไม่อยาก ได้สิ่งต่างๆไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้ความสุขทางตาของจมูกเ น, นื้นกายถ้าเราละความอยากเหล่านี้ได้ใจเราก็จะเย็นจะสงบอะจะมีความสุขแล้วเราก็จะอยู่กับความสุขความทุกข์ของขันได้เมื่อเราไม่ได้ไปยึดติดเมื่ราไม่ได้ไปอาศัยความสุขของทางขัน เวลาความสุขทำขันเสื่อมไปเราก็ไม่ทุกข์กับความความเสื่อมอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากในสิ่งนันใดต่างๆเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราทุกข์ พอเกิดความอยากก็มันก็อยู่ไม่แน่นะอยู่ไม่สงบเน้ต้องพยายามลดละความอยากอย่างที่เมื่อกี้สอนเด็กลดละความโลภความอยากไห้ยินดีตามมีตามเกิดในเรื่องที่มันจําเป็นต้องมีเช่นปัจจัยสี่ก็ยินดีไปตามมีตามเกิดขาดบ้างเกินบ้างก็อยู่กับมันไป คามสภาพเราก็อย่าไปลิ่นรวนหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางลาบยศสรรเสริญย่น้ดูข่าวข่าการบ้านการเมืองอห่า้มาลิ้นกันหาหาลาบหายยศถาทำหนงกันแล้วก็ต้องมีการด่าวกันว่ากันทะเลาะกันวุ่นวายกัน เวลาได้ก็ได้ อ, อกดีใจเวลาเสียก็เสีย อ, อกเสียใจอันนี้เป็นความทุกข์ไม่ทราบว่าจะตรงกับที่หมออ่านมาหรือป่ครับจดตรงครับก็เข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์เป็นความสุขที่กับจากความนิ่งสงบ ถ้าใจไม่มีความอยากใจก็จะนิ่งตัวที่ทำให้ใจไม่นิ่งก็คือความอยากและต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงหลงไปคิดว่ารามยศสารเสริญ ส, สุขนี้เป็นความสุขที่แท้ที่ย้ายความสุขกับเราแต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่เพราะมันเป็นของที่ต้องเสอบ เนเจริญแล้วก็ต้องมีเส่อเป็นธรรมดามลวลาได้มาก็ดีใจพอตอนนี้โดนโดนดนถอนกลับไปให้ถอนก็เลยเศร้าไม่มางั้นอย่าไปหวังพื้นความสุขทางโลกธรรมทั้งสีให้มาหวังความสุขจากการทำใจเราให้หยุดความอยากให้ได้ ในการสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากนั้นมันเป็นไตรละเป็นเของไม่เทีย่ยงมันจะทําให้เราทุกข์เวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปเราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งมันห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันไม่หมดสั่งให้มันไม่เสื่อมไม่ได้ถึงเวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมถ้าใจเราไม่มีความอยากนั้น แใ่เราก็จะไม่เดือดร้อนกับการเจริญหรือเสื่อมของโลกธรรมเพราะเราไม่ได้อยู่อาศัยโลกธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราอาศัยความไม่มีความโลภความอยากไม่มีกิเลสให้ความสุขกับเราด้วยความสงบเทนั้นแหละข อ, ขอบคุณครับอาจารย์ นะคุณสาธิกาเชนชัยนามาฟังธรรมครับอาจารยอออ์อยากเล่านิดนึงที่พระอาจารย์สอนเรื่องว่าบุญมันคือความสุขใจอะค่ะแบบมานเงินที่เราบริจาคปกติอะค่ะเราเคยบริจาคที่มันเยอะปริมาณหนึ่ง ในศักยภาพเรานะคะในระดับคนปกติธรรมดาทั่วไปอะคะ่ะมนุษย์ที่แบบเออไม่ไม่ได้อนะันนั้นแต่ก็ไม่ได้ลำบากเหมือนพวกราชาการนี่มันจบนะคะาจารยนแล้วาลาแล้วทีเนี้ยมันมีว่าเมื่อวันก่อนนะคะแฟนเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเี้ยมาก แล้วทีเนี้ยเขาว่าอยากกินแล้วก็ให้ลูกไปซื้อแล้วลูกไปเจอเหตุการณ์ซึ่งปกติลูกเป็นคนไม่ค่อยชอบนอกจากคุยอย่างเนี้ยลูกจะคุยลูกจะเป็นคนที่ชอบอยู่เฉยๆเพราะว่าปกติลูกก็จะเป็นคนติดพ่อติดแม่อยู่กับพ่อกับแม่ในบรรยาลูกอยู่แล้วลูกเป็นคนชอบความสงบแล้วทีเนี้ยค่ะพอไปถึงเนี้ยลูกไปซื้อแล้ว ทุกครั้งที่ลูกแค่รู้ว่าก่อนหน้าที่ลูกไปซื้อเนี่ยเขาแค่พูดเกิดรู้ว่าแฟนก็ตายลูกก็ไม่เคยถามว่าไปตายอะไรลูกเป็นคนไม่ค่อยชอบเจาะแจ๊คคุณแต่ว่าลูกก็คือคุยปฏิสัมพันธ์เหมือนคุยกับพระจารย์อย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอเสร็จแล้วแฟนก็อยากกินเที่ยวเนี้ยลูกไปซื้อกี่ทีกี่ ท, ท, ทีเขาก็จะแบบ เหมือนว่าของไม่มีไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เราก็ไม่เคยก็เออไม่มีเราก็กลับแฟนก็บอกว่าเธอเต็มที่แล้วหรื อ, อยังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าพอกลับมาบ้านเราก็ต้องตอบว่าเฮ้ยเขาไม่มีสายอันนี้เหมือนว่าเราอ่ะไปเต็มที่หรื อ, อยังในการซื้อลูกก็เลยเที่ยวเนี้ยลูกบอกเขียนมาเลยแล้วลูกก็จะเอายื่นให้แม่ค้าแม่ค้าเขาก็บอกลูกว่าด้วยความที่ไม่อะไรเขาเห็นหน้าลูก พี่เขาแฟนหนูอยากกินมากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่ได้อันเนี้ยหนูเพิงจะต้องไปโดนแฟนว่าว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าเขาเห็นนะลูกโอเคโอเคโอเคแล้วเขาก็เดี๋ยวหนูอันนี้เราก็ใช้โทรศัพท์เขาซึ่งเป็นรุ่นฮีโร่ที่เหมือนพระอาจารย์บอกว่าโทรเข้าโทรออกไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่าเออช่วยเอาเนื้อมาส่มหน่อยนะพี่ไปไม่ได้เออช่วย เอาทานด้วยแล้วก็บอกลูกว่าให้จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยค่ะเนื้อห้าร้อยอ้ี่สามห้าร้อยสมสิบแต่อื่นเขาไม่มีเงินแล้วทีเนี้ยลูกก็ไม่ได้อะไรรู้ว่ากี้ว่ามันคืออันนี้รู้ว่าแก่ซับซึ้งใจว่าแบบลูกเป็นคนซับซึ้งอะไรง่ายง่ายไงอาจารย์ลูกก็เลยบอกว่าเออแล้วเขาก็ลูกก็นั่งแล้วเขาก็บอกลูกพอเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงหรือว่าเขาถูกจะเขาก็จะเล่าให้ลูกฟังว่าแปลงเขาอตาย ยิงตัวตายรูกเพิ่งมารู้แล้วทีเนี้ยค่ะอาจารย์แฟนเขาอะค่ะคือก็คือเป็นตำรวจชั้นที่แบบตามอะค่ะอาจารย์แล้วก็ไปกู้โดยที่เขาก็ไม่รู้ด้วยแต่ว่าคนคำ้ำแล้วเขาก็ยิงตัวตายแล้วเขาก็มีหนี้ที่ต้องแบบแฟนอะอีกสองล้านหกอะค่ะอาจารย์สำหรับคนนี้มันลำบากอะค่ะอาจารย์ลูกรู้สึกว่าโอ้หหรอ เฮ้ขาก็บอกว่าเขาเป็นคนเหมือนลูกนี่แหละคือเฉยๆเขาก็บอกว่าเขาอะแต่เขาก็เชื่อมั่นในแบบลูกแก้เห็นภาพแม่ลูกที่คนที่แบบใส่บาตร ท, ทาบุญทุกอย่างเนี่ยที่แบบคนศาสนาคุูเขาทำอะที่เขาล่าคือลูกก็แค่แค่ฟังแต่ลูกไม่ได้อะไรนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาอะจะต้องมาใช่นี่เขาไม่อยากเป็นนี้เขาขายหมดเลยค่ะอาจารย์ทุกอย่างลูกเพิ่งรู้ว่าแบบ ขายจนได้มีเหลือไฟก็ช็อตอะไรทุกอย่างอ่ะค่ะพระอาจารย์ขายเก้าอี้ขายจนร้านก็ไอ้านเพื่อที่จะไม่คือคนที่มันมีหนี้ยเยอะๆค่ะพระอาจารย์ก็ไปที่ไหนอะ่ะใครเขาก็ไม่อยากรับเนาะเขากลัวเป็นยืมเงินเขาบอกอยอ่าง น, นี้แต่จริงๆอะมันก็มีคนที่ไม่ได้ว่าเขาอยากไปยืมเงินหรอกมันจะมีคนจำพวกนี้มันไม่แยกว่าทุกคนจะเหมือนกันรู้ว่าแก่คิดเหมือนที่พระอาจารย์สอนว่า มันคือผลไม้แต่ละชนิดเราไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเขาก็เลยแบบชีวิตบันโอ้โหอันนี้อะไรขนาดนั้นต้องไปซื้อยือมมอเตอร์ไซค์เงินก็ไม่มีอดข้าวสองวันไฟช็อตบ้านไอ้แบบไปถึงที่มอเตอร์ไซค์รถก็จะปจะทับประจานแล้วเขาว่าเงินเหลือทุกหกบาทเขาไม่มีแล้วเขาเอาเงินหกบาทไปทาบุญแล้วเขาก็บอกว่าคือ ค่าบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกก็คือแค่ลูกเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากลูกเหมือนพระอาจารย์ตรงเป็นเหตุเป็นผลลูกไม่ได้แบบอันนี้แต่ลูกก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่แล้วแต่ลูกแค่ว่าลูกไม่ชอบคำบุนวายลูกไม่ชอบอะไรแค่นั้นเองลูกชอบแบบอยู่สงบแบบอย่างเงี้ยลูกก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาเชื่อในบุญบาป ตอนนั้นน่ลูกมีเงินเหลือจากในอันนั้นนะคะพาจารย์ลูกมีเหลืออยู่ประมาณสี่พันเจ็ดกว่าหลังจากที่ลูกจ่ายไปห้าร้อยสสิบลูกก็เลยเอาเงินทั้งสี่พันห้าให้เขาบอกลูกเหลืออยู่แค่นี้แล้วลูกก็กลับมาแล้วลูกก็ไม่ได้อะไรลูกก็เอามาให้แฟนแล้วลูกก็บอกแฟนว่าจะว่าอะไรไหมเพราะว่าแฟนลูกกับแม่ลูกอ่ะเขาจะกลัวมากเรื่องฟาร์มที่ลูกเป็นคนใจอ่อนเขารู้ว่าลูกเป็นคนแบบ คือแบบประมาณแบบอันเนี้ยคือว่ามันอยู่ในโลกแบบจย่งเดียวไม่ได้หมอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาก็แค่ถามว่าเธอเชื่อได้เหรอลูกมีความรู้สึกว่าลูกอ่ะเชื่อลูบหมดลุกเชื่อได้เพราะว่าพระอาจารย์เคยเคยฟังจากซุมพระอาจารย์เนี่ยครั้งแรกที่เราให้ไปคือความเบียตาแต่ครั้งที่สองถ้าเขาเราทําให้เขาหลอกได้มันคือการที่เราโง่ ลูกแค่บอกนี้แล้วก็แฟนก็บอกว่าแล้วจะอยากช่วยมันฉันอยากช่วยเขามูคจอบไปได้เพราะเขาไม่มีเลยขอแบบสักหมื่นหนึงแฟนลูกก็ไปแล้วก็ซื้อของไปให้อีกแล้วแฟนลูกก็ไปเห็นลูกก็บอกวันเนี้ไฟมันก็อันนี้ลูกก็เลยเช้าลูกก็เอาของที่แฟนแล้วก็เงินอันนี้ไปแล้วแฟนบอกเป็นยังไงบอกเขาซื้อของมาเพิ่มหมดเลยทุกอย่างกับทางอาจารย์เขาดีใจมากลูกเห็นจากคนที่มันแบบชีวิตแบบมัน เลือดอ่ะแล้วมันขึ้นมาอาจารย์มันลอยยิ้มมันอะไรทุกอย่างแล้วก็พอเสร็จแล้วว่ะค่ะอาจารย์ลูกก็เลยเอาแบบเงินอีกไปบอกว่าพี่อันนี้เพราะว่าเขาใช้เอ่อขันไออะไรนะอาจารย์ไอไอไม่ไอเอเทียนนะคะอาจารย์จุดอะ่ะลูกรู้สึกว่าโอ้อะไรขนาดนี้ลูกก็เลยว่า พี่พีเอาตังค์ไปเถอะอยต่อเพราะว่ามันมันถ้าเกิดคนอยู่คนเดียวแล้วมันพีกตรงที่ว่าเขา่สามารถตบลูกเขาอ่ะค่ะอาจารย์เรียนปอโทรแล้วพูด่ด้วยความที่แม่รักลูกอ่ะอาจารย์โทรไปก็มีครอบครัวเขาอันนี้แม่ผมยังต้องตั้งหลักเขาไม่เคยเอ้ยบอกพี่พี่ไม่ไม่บอกลูกหรอว่าพี่เป็นขนาดนี้อะไรอย่างเนี้ยเขาความรักลูกลูกก็เลยแบบ เฮ้ยไปเลยแล้วเขาต้องจะเหมือนเช่ารถเครื่องวันละห้าสิบลูกก็เลยเอารถเครื่องไปให้เขาอีกลูกก็แค่บอกแฟนว่าอะไรลูกแค่ตอนนี้ลูกนั่งสมาธิมันก็ว่างนะพ่อาจารย์แต่ความพิษลูกมันปลุกขึ้นมาว่าเราเต็มที่แล้วหรอแล้วลูกก็มาฟังจากที่ว่าจารว่าถ้าปัจจัยสี่อ่ะมันมันในการที่เราจะอยู่แล้วลูกก็บอกแฟนว่า เราไม่ได้มีลูกเรามีแค่แบบถ้าเราตามที่พระอาจารย์สอนมันแทบจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วลูกคิดว่าลูกอ่ะถ้าไม่มีเขาลูกอยู่ได้เพราะว่าเขาถามว่าลูกว่าถ้าถ้าเกิดเขาตายลูกจะอะไรลูกบอกแค่ว่าอ่านหนังสืธรรมะนั่งภาวนาหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกแค่เนี้ยหรอเีล้ลูกแค่ปีเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็โอเคเขาก็เลยแล้วรถอ่ะแบบรถเครื่องเราก็ไม่ได้ใช้ แล้วมันก็เกินความจำเป็นก็เราก็ไม่ได้ใช้เลยก็คือให้เขาไปเถอะลูกก็มันมันมีประโยชน์มากฝ่าแล้วอันเนี้ยลูกมีความรู้สึกว่าพระจารย์มันมากงเหลเกินหรืออะไรที่เราเคยได้ทํามาหรือการที่เราดูแลแม่มาทั้งชีวิตแค่คําพูดแม่ก่อนตายตอนนั้นนละูกรู้สึกที่แม่พูดกับลูกมาได้ว่าเออเก๋แ ก, แกเป็นลูกคือเพราะว่าลูกไม่เอาอะไรเหมือนที่ลูกเหมาพระอาจารย์นะคะ ลูกไม่เอาเพราะว่าลูกไม่อยากมาเก่งแย่งไอ้พวกอย่างเงี้ยมันไร้สาระลูกรู้สึกว่าเฮ้ยเก๋เก๋เป็นลูกที่ทั้งเงินที่จะดูแลแม่และครอบครัวแกทาสุดดูแลแม่ทั้งร่างกายจิตใจเพราะลูกเป็นคนไม่เคยพูดอะไรให้แม่นั้นลูกได้หมดลูกไม่เคยจุกแม่กับพ่อถึงพ่อจะยังไง ลูกไม่เคยอันนั้นคือพ่อกับแม่จะพูดเสมอว่าแต่ก็คือคือเป็นคนที่ไม่ไม่เขาไม่รู้สึกขวัญซึ่งเราไม่ได้มีมากกว่าคนในบรรดาสี่คนเนี่ยเราอ่ะระดับแบบธรรมดามินิมอลอะอาจารย์แต่เขาอันนี้ลูกอันนั้นเนี่ยคือคําพูดที่แบบลูกรู้สึกแฮปปี้มากอ่ะกว่าไอ้ไอ้อสมบัติทุกอย่าง แล้วอันเนี้ยมันคือสุดๆลูกฟังแล้วลูกน้ำตาโอ้ลูกแบบแค่เห็นภาพแม่เห็นภาพเอ้ฟาร์มกันตันมันรีวิวลูกแบบโอ้โหแบบพี่ที่สนิทมากในชีวิตลูกอ่ะตั้งแต่ที่อันนันบาเขาบอกว่าเจ๋แกรู้สึกยังไงตอนนั้นไม่ได้รู้สึกไงตอนนี้เขาบอกว่าพี่ไม่มีเงินจะมาให้พี่ไม่ต้องมาให้อะไรหนูหนูไม่ได้อยากได้อะไรพี่ไม่มีเจ เรื่องดอกสําหรับลูกนี่ยิ่งไม่ชีวิตทั้งชีวิตไม่ได้คิดไอ้พวกไอ้เรี้ยงเกี่ยวกับการเรียนอย่างนี้ลูกก็เลยรู้สึกว่าโอ้แต่เับพี่ไม่ต้องมาให้อะไรหนูพี่ไม่ต้องมาอะไรให้ชีวิตพี่มุกออนไอ้แต่หนูอะแค่จะคอนเฟิร์มพี่ว่าที่หนูเห็นแม่ของหนูที่ปฏิดดบัติมาทั้งชีวิตอะผิอย่าอเฉยๆพี่ไปพี่ยังไม่มีความตกต่ำแล้วพี่จะไปแบบ๊ เพราะลูกรู้ว่าจุดทุดท้ายมันจะเป็นยังไงเอาคนปฏิบัติที่รู้เห็นจากแม่รู้ ก, ก็เลยรู้สึกโอ้ลูกึงความรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนลูกอนะขนาดเขาเป็นคนจิตใจเข้มแข็งมีเหตุมีผลนะเขาเป็นปลาไหลเลยอะ่ะประจางลูกแค่อยากเล่ายาวไว้ไม่นี่ยไม่เป็นไรหรอกออออบุญเนี่ยนี่แหละคือบุญ เ, เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ มันไม่ได้พริมาณเงิน เ, ออเยอะเทาที่ลูกเคยอันนั้นนะคะพระอาจารย์การที่เราเอาชุดคนคนนึงเนี่ยเขาไหว้ลูกบอกว่าพอเขาอันนั้นน่ะเขากินข้าวคนรวยไม่รู้ไงพระอาจารย์ลูกก็ไม่ได้คนรวยลูกก็มาจากก็กลัวที่แม่ก็ลําบากแต่ลูกไม่เคยกินลูกรู้แต่ว่าไอ้ข้าวที่เขาซื้อพระอาจารย์มันไม่ใช่ข้าวที่คนจะกินนะ่ะอืม แล้วลูกก็เลยถามเขาว่าไออันเนี้ยมันคือข้าวอะไรมันคือข้าวที่เขาเรียกว่าลําเอที่ข้าวพวกเหม่เข้าวเขาเรียกลายข้าวนั่นแหละพ่อจันอูโ hood มันสุดยอดของคนนี่มันแบบไม่เป็นไรหรอกร่างกายมันไม่รู้หรอกข้าวแบบไหนกินเข้าไปก็กลายเป็นขี้เหมือนกันนะลูกก็ได้อย่างงี้แหละเออแต่ลูกก็กินไปมันก็ยิวเหมือนกันอ่ะพอเข้าไปในท้องแล้วมันไม่รู้หรอกเป็น คราบหอมมะลิหรือใหม่ก็แปะแปะแปะน้นมันหินท้องก็โอเคแล้วแต่ที่ลูกอ่ะเราฝึกลูกไม่ได้คิดว่าลูกอ่ะจะที่ลูกบอกพระอาจารย์อ่ะลูกไม่ได้เก่งบาหลีลูกไม่ได้แบบทฤษฎีจ๋าอะไรอย่างเงี้ยลูกแค่ฟังพระอาจารย์แล้วลูกเก็ตแล้วลูกไม่เห็นคือชีวิตลูกอ่ะลูกเห็นแม่แล้วชีวิตลูกทุกอย่างลูกเก็ตหมดแต่ว่า ไอ้ที่ลูกรู้สึกว่าลูกมาอันเนี้ยที่มาดิคัดดิคัดกันนะ่ะลูกก็ไม่ได้ว่าว่าเออฉันก็ไม่ได้อยากเป็นออพระโตดาพระอะไรพระอัลลาดฉันก็คือคนธรรมดาได้แลคือแบบแค่อย่างเนี้ยแค่เราเราก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธไปชาวจะ ใ, ให้ทำทานช่วย<ช><ๆ>เหลือเพื่อนรวมโลกกันลูกแค่ทุกทวันำทุนโลกศีลแล้วก็ภาวนาคือลูกแค่ อิ่งให้มันบริสุทธิ์แค่นั้นลูกก็แอปเปิ้งลูกแค่นี้นะเราต้องขอบใจเขาที่มีเขามาให้เราได้มีโอกาสได้ทําบุญนะครับสุด<น>แบบลูกไม่เคยรู้สึกว่าลูกอป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นข้อสอบมาให้เราทําด้วยเขาล้องไ<น>ห้แบบนั้นเลยไปแล้วก็บอกเขาพอหลังจากวันลุกขึ้นอนะ่ะเขาใส่บาตรแล้วก็เขาบอกว่าเขาเขาแครไปให้แม่ลูก ลูกก็เลยด้วยด้วยฟังจากพระอาจารย์นะคะมันเป็นความบุญก่อนตัวนั้นแล้วลูกก็ด้วยความปากลูกเป็นคนปากเปราะลูกก็บอกว่าอ๋อแม่ลูกอ่ะพงแม่ลูกอ่ะเขาไม่มาหวังบุญอย่างนี้แม่ลูกก็ไปมากกว่านี้ด้วยด้วยที่ลูกเห็นนะคะทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่อะไมเป็นไรเขาก็เขาก็มีความบาดธนาดีเขาเออนุ่มไปได้ที่หลักว่าเป็นความปากปากถนาดีเขาเขาอยากให้ลูกอะไรอย่างนี้นะคะ อาอาจารย์เลยเวลาแล้วพ อ, นะ อ, พอนะแล้วอืพอแล้วนะยังมีความสุขใจอยู่ใช่ไหมมี ม, มันไม่หายหรอกเวลา <c oughs> คิดถึงวันที่ไรมันก็ทำให้เราสุขใจอย่างใจทั้งข้างแลูลูกก็เข้าใจที่พระอาจารย์บอกว่าพวกอย่างเงี้ยมันต้องถามที่ลูกถามอาจารย์อ่ะไอ้คนบอกว่ามบรรลุบรรู้อ่ะมันมีทราหลอกมันต้องไปตอนที่ตายแล้วลูกก็เข้าใจที่พระอาจารย์บอกว่าไอ้การที่มันต้องฝึก อ, าา อ, อ่ะ ตอนนั้นมันจะรู้มันไม่ต้องไปบอกหรอกตอนตายมันมันช่วยทุกอย่างลูกเก็ตง่ายๆแบบนี้เลยอะ่ะอาจารย์อโอเคอ ด, ดีมากสาธุสาธุน ะ, ะทำต่อไปนะทำความดีต่อไปค่ะค่ะอาจารย์โอเคไปเทนาราที่ว่าุดิสยากับคนอุสาราชการค่ะนักการค่อาจารย์อุสคุณแม่ โยมโยมยังมีข<บ>้อสงสัยอยู่เรื่องสติอะค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้โยมจะลองค้นหาตัวเองดูก่อนค네่ะ <bladder> ถ้าหากว่า <ios> มันจนหนทางแล้วโยมจะมาถามอาจารย์นะคะเพราะว่าเออาจารย์โยมฟังจากซูมรอบที่แล้วบอกว่าให้ไปให้เจอสถานการณ์ที่ความเป็นความตายอ่ะค่ะแล้วเราจะรู้ว่าเรามีสติหรือไม่มีสติซึ่งโยมคิดว่าโยมผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วแล้วก็ มันผ่านมาได้แต่ว่าพอมา น, นั่งสมาธิสติทําไมอันนั้นกับอันนี้มันต่างกันอย่างเงี้ยค่ะที่ยังสงสัยอยู่แลว้วะพยายามหาคําตอบอยู่อะค่ะอย่างอย่างกรณีที่มันต่างมันยังไงนะคืออย่างอย่างกรณีที่ว่าเวลาโยมนั่งสมาธิใช่ไหมคะมันแป๊บหนึ่งมันจะไปเรื่องอื่นอะคะ่ะแล้วก็กลับมาจะต้องคอยด็กแต่ว่าเหตุการณ์ที่ว่าผ่านความเป็นความตายเนี้ยมันด้วยความที่ว่าโยมอยู่ในสถานการณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมคะแล้วก็ วันนึงก็เป็นนั่งทานก๋วยเตี๋ยวที่นราธิวาสนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงตูมบอกก็บอกกับแฟนว่าปอกกัสามีว่ามันอยู่ใกล้ๆเราแค่นี้เองเนะเสียงชัดมากเลยก็นั่งทานก๋วยเตี๋ยวต่อเค้านี้มาตูมชัดๆค่ะอาจารย์มาเตียงตูมแล้วก็เสียงเหมือนกับเอาเอาลูกแกว้วค่ะสตร์เข้ามาบนพื้นปูนโยมก็ก้มลงดูที่ข้างท่านโยมนั่งเป็นกระจกเต็มพื้นไปเลยค่ะแล้วก็ก้มลงดูโยมก็ก้มลงดูในชามก๋วยเตี๋ยวโยมปกติตัวโยมปกติ ยมก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวต่อแล้วก็หันไปดูทางหน้าร้านแล้วก็ลุกขึ้นออกไปดูว่ารถที่จอดอยู่เสียไหมรถยมปกติแต่เห็นแล้วค่ะว่าชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์ข้ามจากสี่เลนฝั่งนู้นมาอยู่ตรงนี้แล้วยมก็เอามาเอาก๋วยเตี๋ยวที่เหลือค่ะมานั่งทานไปเรื่อยๆเพราะบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้ไปนอกกว่านี้แล้วก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปจนกว่าสถานการณ์จะเคลียร์เรถึงค่อยกลับบ้านเราถามว่า ต, ตกใจไหม ไม่มีอาการตกใจหรืออะไรค่ะยังทานก๋วยเตี๋ยวไปเรื่อยๆก็ถามว่าทำไมไม่ยังกินอยู่อ้ากก็ทําอะไรล่ะมันไม่มีอะไรดีไปกว่ากินก๋วยเตี๋ยวที่มีอยู่ข้างหน้าเราแต่พอมานั่งสมาธิส ต, ติยมไปเรื่อยๆอะค่ะอาจารย์แต่เมื่ อ, อไหร่ที่เราทํางานค่ะประมาณนั้ น, นะคะยมสงสัยมันก็เรื่องกันนั่นแหละค่ะไอ้นั่งนั่งมันนั่งของปัญญาที่ทําให้ใจเราเน่งปัญญาบอก ว, ว่ามันเป็นอนัตมันเหตุการณ์เราควบคุมบังคับไม่ได้ มันดินฟ้าอกาศฝนตกแดดออกมันเกิดแล้วก็เกิดให้มันจะไปทำอะไรได้ใช่ใช่เรียกว่าปัญญาส่วนสตินี่มันก็ก็แบบว่ามันสติเราบางทีมันก็ยังยังควบคุมความคิดไม่ได้เวลาเราอยู่เฉยเฉใช่ค่ะสติยังไม่เต็มร้อยเาะยังยังต้องฝึกต่อไป อ๋อมันคนละประเด็นกันใช่ไหมคะเพราะว่าอ๋อเพราว่โยมฟังให้เจอความเป็นความตายแล้วเราจะเจอสติซึ่งโยมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะมันเป็นปัญญาเป็นปัญญาสอนใจให้นี่งสอนใจให้ให้ปล่อยวางไม่ปลงค่ะก็มีคนถามว่าทำไมพี่ยันั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากกินก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างหน้าเราค่ะประมาณนั้นเอันันเป็นปัญญาเฉพาะเรื่องเรื่องนั้น แตื่องอื่นถ้ายังไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มีปัญญามันก็ยังพุ่งได้เยู่นี่ค่ะโยมสงสัยว่ามันคืออะไรทําไมพอเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะคุมเราจะคุมสถานการณ์ตัวเราเองได้อะค่ะมันจะไม่จะไม่ไม่ตื่นตระหนกจะเฉยเฉยจะทําอย่างนี้ไปแต่พอนั่งสมาธิค่ะต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆข้อสอบมันมีหลายรูปแบบด้วยกันทุกตลอดอวันนี้เราข้อนี้เราทําได้ ก็เออเร า, เ า, เายังทําให้ใจนิ่งเฉยๆยังทําไม่ได้เวลาไม่มีเหตุใจอะไรใจก็ยังคิดเรื่อยไปอใช่ค่ะคือเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันจะสงบเป็นช่วงๆอะค่ะมันจะนิ่งเป็นช่วงๆแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วอย่างเงี้ยครับสติเร<ม>าสติเรามาเป็นช่วงๆ <c oughs> มันก็เลยสงบเป็นช่วงๆ <c oughs> แล้วแล้วโยมต้องทํายังไงต่อไปนะสติให้ต่อเนี่ยค่ะให้มันไม่ยาม ไม่ให้ใจลอยไปที่ให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้อย่าให้ถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดถึง่งนั้นเรื่อนี้อย่าป่อยให้มันคิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเราพอพอโยมอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลายมจะฟุงโยมก็เอางานขึ้นมาทําอย่างมาเย็บไปตองเย็บไปเรื่อยๆพยายามไม่อยู่กับการเย็บไปตองมันก็อยู่ได้ค่ะแต่มาอยู่นิ่งๆเนี่ยไปแล้วค่ะคิดไปโน่นเรื่อยๆเล ย, เลย ก็ไม่ไม่ไม่เวลาอยู่นิ่งๆก็ต้องใช้พุทโธ ถ, ถ้าไม่มีอะไรทํำก็ต้องใช้พุทโธเนื่องดองดูลงหายใจอย่างไงอย่างหนึ่งอย่างนัง่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยใจมันไม่มีอะไรไม่มีไม่มีสติคอยคอยนึงไว้มันเดียวมันก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปมันได้มันทํางานแต่ไม่ได้ทํางานแบบแบบทางร่างกายให้มันทํางานทางใจ ให้มันพูดโทพูดโทไปนึกนึกลองหายใจไปนึกสวดอิติปิโสไปมันก็มันก็เหมือนกับเอาเอาของมาทำแทนที่จะเอาของมาทำแล้วก็เอาบทสวดมันมาทำแทนทำในใจแสดงว่าด้วยด้วยพื้นนิสัยเราก็มีส่วนใช่ไหมคะอาจารย์พื้นนิสัยก็คือเรายังไม่ยังยังไม่ยังยังไม่เห็นกุศลยังไม่รู้จักวิธีฝึกสติ โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรฝึกสติโดยใช้ใจเป็นตัวฝึกให้มันอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับบทสวดมนต์เนี้ยเราไม่เราไ ม, เาไม่เราไม่เคยใช้แบบนี้มาก่อนเราต้องอาศัยอย่างหนึ่งมาเป็นตัวตัวฝึกสติเนี่ยองทํานุ่งทำได้มันก็มีสติอยู่ว่าเรื่องที่เราทําอยู่มันก็นิ่งมันก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่เราไม่เคยฝึกแบบ ไม่ต้องใช้อะไรใช้ใจเราใช้ mm hmm. ใจเราฝึกสต mm hmm. ดกิด้วยใช้ร่างกายดูดูลมหายใจถ้าเรานั่งเฉยๆก็ดูลาหายใจก็ออกถ้าดูไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสสวนบทไหนก็ได้สวดบนไปได้เลยนำมาจะนิ่งได้ต้องต้องต้องฝึกให้มากกว่านี้ด้วยความคิดว่าบางครั้งเราก็ ไม่ไม่ได้เต็มร้อยกับสถานการณ์ตรงนี้ค่ะพยายามเต็มที่แต่วันที่ด้วยงานโอ้มันก็อ้างงานนะฮะจริงๆเขโยมเองเนะีต้องพยายามแก้ค่ะจันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถ่ายก้อนเมฆเลยค่ะสองสามอาทิตย์ทีสิบสองอาทิตย์แล้วค่ะเอเรืเ่องถ่ายต้นไม้ก็ไม่ถ่ายพยายามจะไม่ไปเอ๊ะไม่ไปว้าวกับมันนะคะจันมันยังส่งออกข้า ง, งานอกอนู่ชอบไปทางรูปเสียงกลิ่นรสตาหงจะหุนเล่นกายต้องเน้นมันกลับเข้ามา ใช้พุทโธใช้ใช้บทสวดมนต์เนื้อใช้ดูลมหายใจเขาออกถ้านั่งเฉยเฉยจเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทางสาธุผู้อารย์ขอบพระคุณค่ะโยมสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างกันตรงไหนค่ะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะจะพยายามฝึกให้มากขึ้นค่ะ อครับอาจารย์ครับดิศยาอาจารย์ครับขออนุญาตนะผมเห็นผมเห็นเด็กที่ชื่อพัทรรัตน์ในนะฮะอยู่ข้างล่างนะฮะทำไมล่ะอ๋อฮะครับเด็กนะครับอาจารย์ที่เคยอ๋อเด็กนี่เขายังก็ยังจพูดไม่เสร็จได้สองคนเนี่ยอ๋อเหรอฮะโทษนะครับอ่าคุณูอะไรดิสยาพูดตอบให้ลุนเสรจเสร็จไปนรวัฒนการคระอาจารย์เ่อหนูฟัง พระอาจารย์ได้ยินไหมคะถ้าพูดได้ยินชัดเจนอ๋อคือหนูฟังคุณหมออคุณหมอวีเมื่อวันอาทิตย์นะคะมีคําถามที่บอกว่าแบบถ้าสมมุติเรารู้ว่าคนนี้ไม่มีศีลแล้วแบบนี้เป็นการเพ่งโทษหรือเปล่าพระอาจารย์บอกว่าแตกต่างกันนะคะพระอาจารย์จกลงความหมายของคําว่าเพ่งโทษมันคืออะไรอะคะพระอาจารย์เพ่งโทษก็คือพยายามหาความผิดในตัวเขาอพยายามช้องหาความผิด นี่เราไปเพงโทษเราเราไปสงสัยว่าเขาผิดนู่นผิดนี่หรือปเปล่าก็ไปอ่าไ ป, ไปขโ ม, มยเงินใครหรือเปล่าในที่เรายังไม่เห็นความจริงปรากฏขึ้นมายังเรียกว่าเพ่งโทษเราอยู่ดีเขาเก่าวโทษเราเนี่ยว่เาเธอไปขโมยเสื้อผ้าของใช่ไหมนี่อย่างเงี้เ ร, เรียกว่าเพ่งโทษโดยที่ยังไม่เห็นเพียงแต่สงสัยสงสัยแต่ยังไม่เห็นก็ไปเพ่งโทษเขา ก็ไปกล่าวโทษเขานี้เขาเรียกว่าเพ่งโทษกล่าวโทษโดยที่ยังโทษยังไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการเพ่งโทษแต่ถ้าโทษมันปรากฏชัดเจนแล้วมันก็ไม่ใช่เพ่งโทษอ่ะมันเห็นความจริงนั้นเห็นความจริงก็ไปขโมยก็ไปขโมยของถูกตํารวจจับสารตัดสินลงโทษเนี่ยอนเนี้ยเขาผิดแล้วใช่หไหมไปติดคุกอะไรเงี้ย ยังไม่ได้ไปเพ่งโทษครับเราก็รู้ว่าเนี่ยเขาเขาทาผิดทําผิดกฎหมายทาผิดศีล เ, เพราะว่าบางทีคนใกล้<ม>แบบว่าเข้าไปอยู่ในสังคมอะค่ะบางคนอพูดลบๆตลอดเวลาหนูรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าอันนี้เรียกเพ่งโทษเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ปิดตัวออกมาประมาณก็ไม่เพ่งโทษ<ๆ><ๆ>ก็ก็เรามองเห็นความผิดของเขาแล้วก็เลยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับเขาเขาผิดเนี่ย อาพูดไม่ดีวาจาไม่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยคันรู้สวาจาอย่างเงี้ยเหมือนต้นรู้สวาเราก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ไปเพง่งโทษโทษมันปรากฏให้เราเห็นชัดๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็คำถามที่สองค่ะพระอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าอยากจะมักน้อยสันโดษแต่ว่าถ้ากำลัง อวดน้ำหนักอยู่ค่ะว่าถ้าเราจะไปไปสอนลราเราไม่แต่งหน้าเช่แบบเรียบๆไปเลยค่ะไม่แต่งหน้าไปเลยมันจะรู้สึกกลัวความรู้สึกหนูหนูกลัวว่าเด็กจะไม่ค่อยทําให้ดูเลอะเทอะหรืออะไรค่ะเคยเคยเห็นพระเทพไหมพระเทพท่านเฉลต์ไปไหนไม่เห็นท่านแต่งหน้าทาปากเลยท่านมางานทอดกรินที่วัดทา่ดทานก็ไม่เห็นมีทาปากทาอะไรแล้วก็หน้าตาปกติธรรมดาเนี่ อยู่ที่<อ>เราอยูเ่เราไม่มีความมั่นใจในตัวเราเองเรายัางยังอยากจะสวยอยากจะงามอยู่กลัวกลัวแบบว่าคนไม่ยอมรับ ว, ว่าคนคนนี้จะมาตอนได้หรือเปล่าว่ามานนี่ค่ะแต่ว่าลอเราเราสอนด้วยความสวยและเราสอนด้วยความรู้อะไรวะสอนด้วยความรู้ค่ะเรื่องร้องจับสอนอสอนแ่สอนไม่รู้สวยแต่สอนไม่รู้เรื่องแล้วนั่งเรียนมันจะมาเรียนกันแล้วว่า ไม่มาอ่าค่ะหนูลองถามเด็กๆอยู่ค่ะว่าถ้ากูไม่แต่งหน้าจะเป็นอะไรไหมบอกว่าก็เขาเขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรค่ะอืมจะอาบน้ำแล้หน่อยอยาให้ตัวเหม็นก็แล้วกันนี่อ่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลองดูนะคะยังไม่รับปากนะคะพรอาจารย์เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตค่ะพรอาจารย์ค่ะมันมันเราเอา ไม่ทราบสาเหตุเราก็ไม่เคยแต่งหน้าทาแป้งก็เป็นหน้ายาโยอก็มายิ้มนีแย ม, ย ม, ยมทักทายเราตลอดไปละโอ้หัวก็ ล, ล้นโลนี่ใช่ไหม <laughs> แต่ทําไมคนมามาติดตามซูมอยู่เนี่ยฮมันต้องกี่คน <laughs> เขาติดตามผู้น้าตามเราหล่อเราเลยใช่ไหมเขาติดตามเพราความรู้ไหมเนี่ยที่เขเข้ามาเนี่เขาเข้ามาห า, า, าธรรมะใช่ไหม อืมบางทีแบบเจอผู้ปกครองบางทีมองเราแบบหัวจดเท้าก็ก็มองกันดีแต่เราจะได้มีคนมองเหัวจดเท้าธรรมดามองแต่หน้าอันนี้ก็ยังมองหัวจดเท้าพอดีไม่หรอกเราคิดไปเองมากกว่าหรือเาจะไม่เข้าใจเราทําไมคนนี้ไม่แต่งหน้าเพราะ้โดยธรรมเนียมของสังคมไวลาออกนอกบ้าน มันก็ต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าอะไรไปตามสังคมนิยมอันนี้เรื่องสังคมนิยมส ม, มัยก่อนส ม, มัมปุยยาตายายเขาไม่มีเครื่องสมาอย่างนี้เขาเขาก็ไม่เนแต่งน้องแต่งหน้าอะไรกันไปเขาว่ายังมากก็ปะ ป, ะ, ป, ะ, ปะแป้งนะั่นเองทำหน้าแล้วก็ปะแป้งขาว เรา ม, มาเกิดในสังคมที่เขามีการแต่งหน้าทาปากมันก็เลยมันก็เลยติดตามสังคมไปเวลาไม่ทํำก็โนดนเขาทักก็เลยทําให้ไม่กลัวไม่อยากจะเป็นคนแปลกแยกออกไปก็เลยต้องทําตามสังคมนั่นเอง<ช>ไม่ไหนะมอะไรหรอกอะไรก็ไม่เสียหายหรอกถ้ายังเป็นจะต้องแต่งก็แต่งไปนะถ้ามันถือว่าเป็นเหมือนกับเป็น เป็นบทเป็นเล่นลิเกเราถึงเวลาจะขึ้นลงก็ต้องมีต้องสแสดงบทของเราแล้วก็แต่งหน้าทําไปตามบทของเราไปออันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เลือแล้วแต่แล้วแต่ใจของแต่ละคนบางคนเขาก็ไม่สนใจเนี่อความสวยงามทางร่างกาย้สังเกตคนที่เขาเก่งๆเงขาไม่ค่อยแต่งหน้าแต่าแแต่งเนื้อแต่งตัวเท่าไหร่ มันที่เก่งๆเป็นนักต้มนักเตอร์อะไรนี <c> ่ <oughs> เอาวิชาความนู่นเวลาเห็นคนที่แบบทั้งรวยทั้งเก่งแล้วเขาแต่งตัวธรรมดาไม่แต่งหน้ารู้สึกแบบเขาเท่จังเลยแบบหมายถ <c oughs> ึงผู้หญิงนะคะหรือ <c oughs> ทั้งผู้ชายมันรู้สึกดูดีดูสํารวมดูอ่อนน้อมดูหน้ายกย่องค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะลองทําดูค่ะไม่มั่นใจ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ <c oughs> มันลอยอยู่ที่ไหนเมื่อกี้นี้บนจอเราไม่เห็นไหนพัฒานางายอยูไ่ไหนไม่เห็นน้นนานนี้น ก, กา ร, ารานักสการครับอาจารย์ครับอ่ามากมามีอะไรวันนี้ไม่มีคําถามครับโอเคมาพบนักสังเชยครับอ่ามาทั่วจ้การสการ์ไปที่อาจารย์พรมพิไลตอ่อเติมมา กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะนมัสการพราจรครับอ่าคนยุคโบราณสบายดีนะสบายดีครับพระอาจารย์สบายดีนะะ่าสบายดีหลังดีขึ้นแล้วนะะก็ดีดแบบดีดีดีดีหายหายเลยได้รางวัลอยู่ที่ท่าถ้าท่านก็ดีถ้าถ้าท่ายืนท่าเดินก็ไม่ค่อยดี ไหนก็พออยู่กับมานด้ไม่ไม่เดือดร้อนแล้วได้ได้ออกสําแบบกายภาพตัวเองไหมคะก็ออกในเวลาเดินเนี่ยเราเดินได้ประมาณสักไม่กี่ก้าวก็ต้องดัดหน้าดัดหลังดัดเส้นไปแล้วก็เดินต่อแล้วระหว่างวันนะคะระหว่างวันส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่อยู่ในห้องก็นั่งส่เนั่งไม่นั่งก็นอนจะเดินจะช่วงตอนเย็นออกมาเดินจงกรมนะั โอเคครับเดินตอนเช้าเดินบินทบาทเดินบินทบาทก็เดินพักไปเดินไปแล้วก็พักไปเป็นช่วงชัวง่ววันธรรมดาคนไม่มากน้อยแต่ hmm. ไม่จะได้เดินเพาะง้นนั่งรถนั่งรถแล้วมันจะไม่ได้เดินนั่งรถก็วันที่คนเยอะๆคนที่เขามาดักสายตลอดทา่านก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ปรับให้มันเข้ากับความจริงนั่นเอง แต่พระอาจารย์ก็ดูดูแข็งแรงนะคะไม่มีอะไรหรอกมันเป็นที่ที่รียบบทญถ้าอยู่ในท่า ย, ยืนท่าเดินมันก็จะพอมันมันยืนได้เดินได้ประมาณห้านาทีสิบนาทีมันจะเริ่มรู้สึกก็อยูค่ะวันนี้ก็ไม่มีคำ ถ, ถามค่ะมาลับฟังค่ะโอเคเอาทอาุกกาับประคุณออนอนงเชิญ ก็ทำมาราช <c oughs> การครัอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามอะไรจากอาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์ให้ทําแนะนําลูกว่าให้คิดว่าทุกครั้งที่เราได้ปฏิบัติก็เป็นกําไรถึงแม้มันีอาจจะไม่ได้มากอย่างที่เราต้องการเพราะเดิมแบบรู้สึกเศร้าหมองมากเวลาทําไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้พอเปลี่ยนมุมมองก็ก็ดีขึ้นมากเลยครับอาจารย์เอ <c oughs> ่าขอให้เรา <c oughs> ได้ทํำก็แล้วกัน ผลพ้นนี่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยสติของเราบางทีมันก็ยังไม่ไม่แน่นอนบางทีก็ดีบางวันบางวันก็ไม่ดีมันก็พ้นมันก็เลยอาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ทําเลยเราจะไม่ได้เลยอันน้อยได้มากได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้ทําใช่ค่ะเพราะว่าอา่ารย์บอกยังก็ได้กําไรก็ได้ว่าหยอดกระปุกไปทุกๆุกวันก่อนแล้วก็แล้วก็ปลูกฝังเป็นนสัยใหม ถ้าเราหยุดทำเวลาจะกลับมาทำใหม่มันจะยากอ่แต่ถ้าทาทุกวันทุกวันมันจะง่ายใช่ก็กเลยน้อมนำคาแนะนำคำสอนพระอาจารย์ก็พยายามทำทุกวันค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่าเพื่อให้เพื่อให้พราะว่าถ้าเราหยุดไปไม่รู้เลยว่าโอ้โหว่ากลับมาใช้เวลาเหมือนกันถ้าเราถ้าเราทำเราก็ได้ธรรมะสองอย่างนั้นหนึ่งก็ได้ศรัทธานเราเชื่อในคำสอนพระเจ้า สองเราได้วิริยะนะครัวามภาพเลี่ยนแข้อสารสตินี้กับสมาธินี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเราสร้างมันได้มากได้น้อยก็ทําไปเรื่อยๆครับอาจารย์คิดว่าก็ต้องทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็น่าจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามันทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็มันก็จะเห็นข้อปกป้องชัดขึ้นชัด ข, ขึ้นว่าเราเผลอเผลออย่างนี้เองไม่มีสติอย่างนี้เอ แล้วก็แก้ไขปรับปรุงไปค่ะพระอาจารย์อืี่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามาร่วมฟังมาฟังมาฟังทักฟังคําถามเพื่อนๆนะคะก็ยินดีต้อนรับอาจารย์ขอให้รพระอาจารย์ท่านท่านแข็งแรงค่ะอ่าสบายดีค่ะคนเดียคนเดียเดียอยู่ที่โคราดนะโคราดขอพระอาจารย์น้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้ค่ะ ว่ามามีอะไรบ้างวันนี้เ อ, อ้ช่วงนี้หนูเน้นเดินจงกรมเยอะก่อนหน้านี้พระอาจารย์เคยแนะนําให้เดินจงกรมเพราะว่านั่งสมาธิแล้วตกพวังแล้วก็พยายามเดินเยอะๆเลยแล้วก็พอลองนั่งดูเหมือนมันไม่ค่อยไม่รู้ว่ามันยังไม่ไปถึงจุดที่ตกหรือว่ามันมันแต่มันรู้สึกว่ามันมีสติพรมันเหมือนจะหลับหรือจะตกพวังมันจะมีสติอ่อนๆดูกับลมดีขึ้นนะคะอแล้วครับแล้วก็แล้วทีนี้ พอหนูเดินจงกลมอ่ะหนูหนูรู้สึกว่าวิญญาณนขันมันมันอยู่ที่เท้ามันมันมันไปอยู่ที่เท้าแล้วหลังจากนั้นหนูก็รู้สึกว่าเชิดคางขึ้นแล้วมันสบายกว่าหนูก็เลยเชิดคางแล้วก็เลยรู้สึกที่คางนี่นะขันมันก็อยู่ที่คางแล้วแต่ตอนแรกอ่ะหนูตั้งใจไว้ว่าคือหนูเคยนั่งสมาธิแล้ว หนูเห็นเหมือนมวลความคิดมันอยู่ตรงอย่างเงี้ยมเป็นก้อนๆแล้วมันก็เป็นความคิดแล่นไปเลยแบบเป็นความคิดเปลี่ยนเป็นอันนู้นอันนี้มันก็คิดของมันไปแล้วทีดีๆมันดับเพิ่มแต่หนูรู้สึกว่าหนูมองมาจากกลางอกหนูก็เลยเข้าใจว่าจิตอยู่กลางอกแล้วตอนเมื่อเมื่อไม่กี่วันเองครับประมาณวันสองวันนี่แหละที่หนูเดินจงกรมเหมอหนูก็นึกว่าวิญญาณขันหรือผู้รู้หรือจิตอะไรเนี่ยหนูไม่ค่อยเข้าใจมันจะอยู่ที่กลางอกหนูก็พยายามให้มันอยู่ที่กลางอกแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูเห็น ไอ้ตรงไอ้ตรงกลางอกเนี่ยมันไปเห็นวิญญาณขันที่ที่เท้าที่คางหรือบางทีเดินตรงกลมก็พยายามรู้สึกกายไปด้วยมันก็ไปเกิดวิญญาณขันที่หลังแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ไปเห็นวิญญาณขันหนูก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวที่มันไปเห็นวิญญาณขันมันคือมันมันคือวิญญาณขันหรือมันคืออะไรเจ้าะมันคือความฟุ้งซ่านอย่าไปสนใจเลยเดินแห่ดูเท้าพออย่เดียว้ายขวาซ้ายขวาไป อย่างอื่นอย่าไสนใจมันจิตเราปรุงแต่งฟุ้งซ่านขึ้นมาเองสับสนไอ้ตัวนั้นเป็นอย่างงี้ตัวนี้เป็นอย่างนั้นปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องจิตปรุงแต่งนั้นตอนเราเดินจงกรมเพื่อหยุดความคิดฟรุงแต่งมาให้มันคิดนะให้มันรู้เฉยๆให้รู้ว่าเท้าตอนนี้กําลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาให้นี้พอแล้วอย่าไปรู้มากไปกว่านั้นแล้วจิตไม่ได้ต้องอยู่ที่กลางอกใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องอยู่กลางอยู่ที่เท้าดูอยู่ที่เท<อ>้า รู้อยู่ที่เท้าว่าตอนนี้กำลังก้าวเท่าไหนซ้ายหรือขวาอะไรซ้ายขวาซ้ายขวาเหมืนเหมือนฐานเดินอะเดินแถวอะซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่แค่นี้พอน้องกลับอาจารย์ดูมากไปกว่านีน้ครับเปนปรุงแต่งมาแนละ้วซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการจะหยุดเราไม่ต้องการให้มันปรุงแต่งให้มันรู้เฉยเฉยโลหอแล้วทีนี้หนูก็หนูรู้สึกว่าหนูหนูไปดู เวทนามันเปลี่ยนมันมันก็ไม<ด>่ก็ อ, อ, อย่าไปดูไม่ไม่ให้ดูอะไรดูแค่เท้าอย่างเดียวดูร่างกายอย่างเดียวดูดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเดียวดูที่เท้าอย่างนไม่ต้องดูดูแล้วใจมันแตกเราต้องการให้ใจมันรวมให้มันอยู่กับจุดเดียวอย่างเดียวเรื่องเดียวอพอดีก่อนหน้านี้เหมือนเห็นเห็นสุขเขาเวทนามันอย่าไปเห็นอย่าไปสนใจเป็นทุกข์ความทุกข์เห็นอะไรไม่ต้องไปสนใจถ้าเราเจริญสติ ถ้าเราจะรันสเตเดินจมกองให้ให้อยู่อยู่กับร่างร่างกายอยู่กับเท้าอย่างเดียวเรืลองกับพระอาจารย์ด้วเหรอแล้วแล้วทีนี้คือคือหนูเห็นผิดไปจากพระพุทธเจ้าอะคือคือบางทีหนูมีความสุขแต่หนูรู้หนูรู้สึกว่าเอ่อบางทีมันเป็นอทุกขมาสุขอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าหนูแทนที่มันจะเห็นเป็นอนัตตาที่มันเปลี่ยนไปเองคือเคยเห็นมันเปลี่ยนไปเองมันก็เห็นเห็นอั น, นิีจังแล้ว ก็ก็ดีใจแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันเกิดมันก็เกิดมาจากภาษาแล้วหนูเลยไปรู้สึกว่าเลยกลายเป็นทําให้มันเป็นอัตลาว่าเราบังคับให้เกิดความสุขจากจากภาษาไปดูสิ่งที่เราชอบใจก็ได้แล้วเราก็ไปแล้วเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมามันเลยกลายเป็นหนูรู้สึกว่าเราก็ทําให้ความสุขมันเกิดได้นี่นาเหมือนพอหนูปรุงแต่งปึ๊บตอที่เดินตรงกลมหนูก็รู้สึกว่าหนูปรุงแต่งแล้วพอหนูรู้ว่า หูปรุงแต่งไอความปรุงแตงมันก็ดับหนูก็เลยแ ท, แทนที่มันจะดับไปเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเห็นอันนี้จังแล้วเห็นอนัตตาแล้วหนูเลยไปรู้สึกว่ามันเป็นอัตตาว่าก็แค่เราเอาสติไปเห็นความปรุงแต่งแล้วความปุงแตงมันก็ดับได้เหมือนเราไปบังคับให้มันดับได้อย่างนี้ต้องแก้ยังไงอะคะอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องราเนี่เลยเราไม่มีเราไม่มีมมอพื้นฐานที่จะพิจารณาทางปัญญาได้ เราต้องอทําใจให้เราสงบก่อนอนะ่สับสนไม่หมดยิ่งคิดจะยิ่งสับสนมัวก<อ>ินหางตัวเองอไม่ได้ประโยชน์อะไรเนะมืองต้นทําใจให้เราสงบกัน<อ>ใจใสงบแล้วเราจะไปยืนอยู่ที่จุดที่เราสามารถมองเห็นสิ่งตา่างๆเป็นตายรักษได้อย่างชัดเจน<อ>นะใจเราต้องนิ่งก่อน ตั้งใจเอาไม่เนียงมันไม่เห็นหรอกเห็นก็เห็นด้วยความคิดปรุงแต่งไม่ใช่เห็นจากความเป็นจริงโต้ค่ะงั้นไปฝึกสตินั่งสมาธิก่อนอย่าไปคิดเรื่องทางปัญญาตอนนี้โต้ออขอมาจ้ะโอเคนะข อ, ขอขอบพระคุณพระอาจารย์้โต้อ ข, อ <Okay. S 2> ขอให้พระอาจารย์ดำรงธาตุขันอยู่อย่างสะดวกสบายตนเกินร้อยปีเลยเจ้าค่ะเออเหมือนกับอนิจจังกันนะ เราขอได้แต่มันจะยอมให้เราก็ปาก็าไม่รู้ <ลง S 1> มัโล้มโพล่มใส่ที่ลูกลลหลานพาสู้หลังกับนิพพานเป็นันานนะาสาาักคะสาธุเจน้องน้องเก่าสงขอเจาคะขอให้สพอพบคุณหมอภสาษ่ า, า, า, ก, ก, ากับน้นมาสการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วก็เอาที่พระอาจารย์ให้กันบ้านไปทำนะพระอาจารย์ก็พยายามนั่งตลังคืนก็นั่งสมาธิกับสมาธิเทศนะคะแต่ ก็ยังมีความรู้สึกว่าพอมานั่งตรงนี้ปุ๊บนะเรามันเหมือนกับเรามีสติเยอะเพราะว่าคือรู้ว่ามันน่าจะเจ็บไปอย่างอื่นมันก็เลยนิ่งนั่งอแล้พระอาจารย์แล้วก็ฮอนนั้งไปมันก็ไม่มีอาการอะไรพอผ่านไปถึงมีเคยมีอาการเจ็บมันก็ไม่มันไม่รู้สึกเพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นเวทนาเดี๋ยวมันเกิดมันมันก็เลยไม่มันก็เลยผะมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรค่ะพระอาจารย์นั่งประมาณสองชั่วโมงก็พยายามนั่งก็ยังพยายามนั่งไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่ามัน คือเขาพยาํามตามที่พระอาจารย์บอกแต่มันยังไม่มันคงยังไม่เจ็บถึงที่แบบว่าเยอะๆมากๆหลวงพระอาจารย์เพราะว่ามันมันนั่งแล้วมันสบายหล่งพระอาจารย์ออกมาแล้วมันรู้สึกสบายไม่แปกแปลกๆมากเลยไม่เจ็บนพระอาจารค่ะแล้วนั่งต่อมันก็มันก็นั่งต่อได้อีกทิปหนึ่งเพราะว่ามันนั่งกลางคืนนะคะพระอาจารย์เหมัอนก็ก็อย่างคนบางคนต้องนั่งอกชั่วโมงหเือยืดความเจ็บอะไรอี้ต้องในฝันชี้ใช่ไหมพระอาจารย์ของใสอ่อบางคนค่ะ บางคนนั่งแค่สิบนาทีก็เจอความเจ็บก็มีบางคนก็ต้องนั่งหลายชั่วโมงก็จริงๆแล้วประมาณสองสมชั่วโมงมันก็จะมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้รู้สึกอะหมาะถึว่ามันคือมันมันมันมันรู้สึกว่าเวทนาอะมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็เป็นน้ำมันไฟมันก็ผ่านไปมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรอาจารย์หม่ถึงมันลักษณพี่เศรนะอาจารย์เพราะถ้านั่งธรรมดามันมันผ่านไปมันไม่กลัวอยู่แล้วอาจารย์นั่งธรรมดามันมันเคยผ่านได้ก็เลยไม่กลัวแต่ว่าจะไปนั่งต่อะอาจารย์ ก็ก็พูดเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปที่วัดนุ่นมจะมีเวลาทั้งวันเพราะอาจจะเป็นเพราะอยู่ที่บ้านเนี้ยมันก็จะนั่งเป็นช่วงๆอาจารย์เช้าบ่ายตอนบ่ายก็นั่งพักเพียบนะคะฟังพระอาจารย์<ม>ถ้านั่งได้ถ้า ถ, ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกก็ต้องฟังเฉยๆก็นั่งก็นั่งเนี่ยธรรมดาตอนเช้าแล้วก็พักเพียบตอนนั่งฟังอาจารย์แล้วก็กลางคืนก็นั่งกสมาธิเพย์ก็นั่งไปจนกว่าจะเจอมันแล้วถ้ายังไม่เจอมั น, มนก็อย่าไปอย่าไปเล่นนั่งนั่งไปเรื่อยเดี๋ยวมันต้องเจอมันเอง ต้องในสัญเชียร์ล้ว่ะพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปที่น่นค่ะค่ะแล้วก็จะเจอข้อสอบด้วยพระอาจารย์วันที่เอน้าที่ที่พาคุณพ่อไปหาพระอาจารย์ตอนเช้าปกติตีสามจะนั่งอยู่ข้างบนนั่งสมาธิใช่ไหมฮะนั่นเเดินลงไปเอาของเขาจะต้องไปรับคุณพ่อที่บ้านก็เจองูน้องตัวเล้งเลยที่บ้านเอ้ยเราก็เดินเราก็เดินชมกลงข้างนองทุกทุกวันเลยก็ไม่เคยเจอก็นี่ก็เจอแต่ว่าเจอน้องตัวอ้วนแล้วก็เลยผ่านไปแต่ก็ไม่ได้อะไรนะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวอะไรวะใช่งูเปล่่าาแตเเก็ลยไป แต่เราก็ไม่ได้บอกใครเพราะว่าไม่อยากให้คนมาจาับเพราะวา่าที่หมู่บ้านนี่คนคงจะกลัวงกูก็ไปกับคุณพ่อแล้วก็พอตอนเช้าก็โทรบอกลูกว่าเอเราอระวังนิดนึงแต่ว่าบอกลูกว่าถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรก็ไปไมก่อนแล้วกันเพราะว่าแบบว่าสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตัวใหญ่เหมือนกันไม่รู้งูอะไรค่ะอาจารย์มาต้อนรับเลยแล้วก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์เพระตอนมันจะชี้แตค่ะพระอาจารย์เทศแบบโอ้แบบคือแบคอบคุณพ่อเอาไปฟังแล้วรู้สึกว่าเออก็ ก็ทำเต็มที่ค่ะถ้าเกิดท่านรับได้ก็จะเข้าใจแต่รู้สึกขอ บ, ขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะว่าอาจารย์เทพเต็มที่เลยอ okay, ่ะมีแค่เนยียอเที่เท็กซัสคุณสุภาตร า, ากับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะเขาขมาลองฟังทำโอเคสาธุไปเชียงรายที่คุณเอง นวันศุกรพระอาจารย์ครับผมก็วันนี้เข้ามาร่วมรับฟังครับพระอาจารย์ครับก็ปฏิบัติครับวันพระก็อยู่ในสันติครับพระอาจารย์แล้วเจอเวทนาไหมก็ในก็ผมนั่งตั้งแต่เจ็ดมงสี่สิบห้าจนถึงสิบเอดมงครึ่งนะครับพระอาจารย์สองชั่วโมงแรกก็ไม่เจอครับพระอาจารย์โอ้โล่งเบาสบายครับก็ชั่วโมงที่สามถึงชั่วโมงที่สี่ก็อยู่เวทานาครับพระอาจารย์ ก็ชั่วโมงที่สี่ก็ยื้ยืกันยื้อกันหน่อยครับก็พุดโทด้วยอินิบิโศด้วยอะไรด้วยครับอาจารย์ก็ออกมาสองช่วงออกช่วงแรกก็ประมาณสี่ชั่วโมงก็เจออยู่ครับแต่ก็ก็มีอยู่ฮะก็ยังก็ยังแบบว่าเออมันยังยังเจกอยู่ะยังมีควนใจอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็ใจไม่แน่งใชจไม่แน่ใจ ก็ช่วงช่วงแรกก็สีชั่วโมงก็นั่งไปก็ออกมาที่เส้นยืดสายก็นั่งต่อช่วงหลังๆมาก็ได้ชั่วโมงชั่วโมงกว่าปวดก็อยู่อยู่ไม่ค่อยได้ครับอาจารย์แต่ก็ก็นั่งจะถึงถึงตอนเช้าครับอาจารย์ครับก็ยังเพียนปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์เย็นหนาวจังโอเคทาไปเรื่อยๆนะถ้าทำงานนี่จะเสร็จถ้างานนี้ยังไม่เสร็จก็ยังหยุดไม่ได้แล้วไม่ได้ ครับผมต้องเจอวุตตังบรมาจริยังกิจในบรมจารย์นี้ได้เสร็จสิ้นองแล้วไม่มีกิจอื่นที่ต้องทำต่อไปครับผมก็เหมือนเหมือนที่พระอาจารย์ได้ได้บอกว่าเออเราต้องตั้งอธิษฐานแล้วก็ถือสัจจะนะครับอย่างนี้ครับอาจารย์ก็ก็เอานํามาใช้ก็ได้ผลนะครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่า ไม่ไม่ตั้งอธิษฐานก่อนแล้วเรไม่ถึงสัจจายนี้บางทีมันก็ไปไม่ไม่รอดเมื่องนะครับได้ถ้าเราไม่ตั้งอะไเนี่ยมันเถึงอยากจะเลิกก็เลิกไปถ้าเราตั้งมันมันก็เลิกไม่ได้จนกว่าจะครบเวลาที่เราตั้งไว้ทําทำถ้าทำสี่ตัวนี้เอธิฐานสัจจะวิริยะขันติอย่างเงี้ยมันขาดไม่ได้เลยใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ต้องมาด้วยกันสีตัวนี้เป็นเป็นเป็นทีมเดียวกันนะ ถ้ามันเต <4 S 2> ็มรอบมันนี่<ม>ครับผมถ้ามันเต็มรอบมันนี้ก็ก็ โ, โคงจะได้ได้อยู่กันนะครับอาจารย์ถ้า<ม>ถ้าว่ามันเต็มอย่างเงี้ยครับ<ม>ใช่ั้ยครับอาจารย์ใช่ถ้ามีสัจจะมีปริญามีขันติมันก็ลุยได้ครับครับผมก <Okay. S 1> ็น้อม น, ำ, นำไปปฏิบัติครับอาจารย์ครับขอขออภันอาจารย์แข็งแรงครับผมสาธุสาธุ ไปที่นาลาที่ว่าเนณิกากราบน้ำมันส ก, การเจ้าขาพระอาจารย์ก็ถามข้อสงสัยเรื่องหนึ่งนะคะพระอาจารย์ก็คือเพราะว่าจากการที่ว่าไปฟังธรรมที่น่ากุติของพระอาจารย์วอนก่อนนั้นก็นั่งได้ปกติดีมีสติของเราแบบไม่พุ่งไปไหนแต่พอกลับมาบ้าน พอฟังคำของพ่ออาจารย์อยู่สองอาทิตย์ก็คือจะนั่งแล้วก็จะเมื่อยแล้วก็จะลุกขึ้นก็คือแบบลักษณะของว่าอันนู้ก็เมื่อยอันนี้ก็เจ็บ น, นูก็เมื่อยอันนี้เจ็บนี่คือลักษณะของโดนกิเลสหลอกใช่หรือไม่เจ้าคะพ่ออาจารย์ก็อาจจะเป็นเพราะถ้าเรานั่งกับคนอื่นก็เราก็ไม่อยากจะลุกี่ยจากจะขยับถ้าเราอยู่คนเดียวกิเลสมันก็เลยไม่มีความเกณง์ไขเกณงใจไขวิธีกแก้แล้วครับพ่ออาจารย์ วิธีแ ก, ก่ก็ต้องมีสติพยายามจดจ่ออยู่กับการฟังอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับพิเลสแต่มันจะชวนให้ลุกเรื่องอะไรก็ไม่ต้องไป่ต้วงไม่ต้องไปฟังมันฟังทำไปเรื่อยๆจนกว่าเทศจะเสร็จแล้วเราค่อยหยุดแล้วค่อยลุกเลยตั้งตั้งตั้งอธิษฐานสัจจะไว้ก่อนก็ได้สัจจะอธิษฐานว่าตนั่งจนกว่าจะฟังเทศจบ ให้ผ่สาธุเราถึงค่คอยลุกถ้าไม่เช่นั้นเดี๋ยวพอมันกิเลสมันอยากจะลุกมันก็ลุกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลุกขึ้นแล้วก็นั่งแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็นั่งเมื่อยไปหมดเราต้องเราต้องตั้งสัจจานาิฐานว่ ะ, ะจะนั่งฟังเทศไม่ขยับไม่ขี้เกีนจใหจนกว่าเทศจะจบเจ้าภาพ า <จะ S 1> ตาโอเคในที่คุณหมอสัรศณีอัธมธานีธรรมสการ์นพระอาจารย์เจ้าค่าไม่มีคำถามโอเคสบายดีนะสบายดีเจา้าขาท่านพระอาจารย์ขอบอกในที่คุณนิสา LA ลอยนี้จังหวัดที่72 <c oughs> ของประเทศไทย ใช่ค่ะกลับนมัธการค่ะค่ะอาจารย์ก็ลูกมาร่วมรับฟังค่ะไม่มีคําถามค่ะช่วงนี้ก็ยังเพียรปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็อาจจะมีค่ะอาจารย์มีอะไรก็ไม่มีอะไรค่ะก็แค่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกต้องออกไปดูแลร่างกายนิดนึงค่ะมันก็เลยรู้สึกมันก็มีกระทบ เทือนกับตารางเวลาลูกกนในการปฏิบัตินะคะก็เลยเบื่อเบื่อนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ก็ต้องดูแลมันไปนะคะ่ะพอดีอต้องไปทำต้องยอมรับกับสภาพบางทีเรายึดยของเราอย่างเดียวก็ไม่ได้ถึงมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องปรับก็ต้องปรับไปตามความเป็นจริงค่ะพาะอาจารย์อย่าไปปรับตามอย่าไปปรับตามกิเลสก็แล้วกันมันก็มีความเบือบ่อเบือบ่อมันค่ะเบือ่อที่จะดูแลมันนิดนึงค่ะพระอาจารย์ ต้องไปทําฟันต้องไปตรวจร่างกายอะไรนี้ก็นิดหนึ่งค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็คิดถึงผลถ้าเราไม่ดูแลมันมันเดี๋ยวมันยิ่งจะในเวลากกว่านีก็ได้ค่ะพระอาจารย์ก็เ ร, เราต้องรักษาธาตุขัดตัวเราเองไว้ใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะรูก็คิดเช่นเนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ต้องไปทดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้มันซัมเบอร์ที่นี่มัน เหมือนคนมันมีแอคทิวิตี้ค่ะพระอาจารย์คือลูกไม่ได้มีแอคทิวิตี้นะคะคนรอบข้างมันมีแอคทิวิตี้มันก็เลยมากระทบรูปนิดนึงค่ะแล้วก็มีอยากจะทํานู่นทำนี่กันใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันมันฝนมันมันเวลากลางวันมันยาวค่ะคนมันก็มีแอคทิวิตี้เยอะมันก็จะมีเสียงดังข้างๆ้าบ้านบ้างอะไรอย่างเง็ ก็กระทบลูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ลูกก็ทําใจอะค่ะ้องยอมรับสภาพตามสภาพไปค่ะยอมรับสภาพแล้วก็คนรอบข้างก็จะมีแอคทิวิตี้หรือมันก็เข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะามาเยี่ยมมาอะไรบางทีเราก็ต้องก็ต้องทําใจค่ะเพราะว่าที่ผ่านค่ะใช่ค่ะเพราะที่ผ่านมาเราก็เคยไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่เรา ค่ะแต่ตอนนี้ลูกไม่ได้ไม่อยากคอนเน็อะไรแต่ว่ามันทีมมันเราก็ต้องยอมรับอืมมันอยากจะไม่มีอะไรก็ต้องไปบวชนะมันต้องขึ้นทาง ด, ด่งดวนขึ้นทางด่วนค่ะแต่ยังอยู่ใต้ทางด่วนอยู่มันต้องเจอสี่แยกเจอรถติดแล้วต่างค่ะค่ะอาจารย์เราก็ลูกก็คิดถึงว่าเออเราก็ทําหน้าที่ของเราไปอ่ะค่ะอืม ก็เป็นตัวตัวละครไปอค่ะพระอาจารย์วันนี้เสียงพระอาจารย์ดีค่ะอเปลี่ยนใหม่ใหม่มีคุณหมอมีส่งไหม่มาให้อ๋อค่ะค่ะใชไ้อนุโมทนาสาธุกับคุณหมอด้วยนะคะเสียงชัดขึ้นเลยวันนี้ชัดเสียงชัดเลยค่ะดีค่ะก็จะได้พระอาจารย์เลยไม่ต้องตะเบงเสียบค่ะ คือปกติก็ไม่ได้ตัดแบงก์แล้วก็พูดค่อยๆอะไอย่างแต่ไม้ตัวนี้มันดูดูเสียงได้ดีกว่าไม้ตัวเก่าอ๋อค่ะดีค่ะอาจารย์ช่วงที่วันัดทิตที่สนทนาธรรมกับคุณหมอมีญาติโยมบางคนเขาเขาแจ้งมาว่าเสียงผังไม่ค่อยชัดเสียงอาจารย์ผังไม่ค่อยชัดหมอค่ะวีเขาก็เลยส่งไม้มาให้ไม้ที่แบบแบบที่เขาใช้อยู่อ๋อค่ะดีค่ะอาจารย์ ก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็ยังเพียรปฏิบัติคะ่ะพระอาจารย์ยังรักษาสติคะ่ะ <Okay. S 1> ก็ถ้าช่วงนี้ย่อหย่อนกับการนั่งสมาธิเพราะมีภารกิจที่ต้องดูแลร่างกายแล้วก็ต้องออปฏิบัติหน้าที่ก็เลยต้องมาพยายามมีสติในระหว่างวันนะคะเหมือนกับนั่นเดินทางบางทีก็เจอรถติดเจออะไรมันก็ต้องทําอะไรไม่ได้มันต้องสนวิสัย ก็อยากไปทุกข์องมันแล้วมันค่ะพระอาจารย์น้อมนำปฏิบัติค่าขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะอ่าดูขอบคุณหน่อยชัยนิตกทมอครับสวัสดีพระอาจารย์นะคะวันนี้ไม่มีคำถามเจค่ะไมมีคำอะไรนะไม่มีคำถามมีคำตอบไหมไม่มีคำตอบเหมือนกันนะคะ ะจะไปใส่บาตรท่าจารย์ช่วงประมาณสิ้นเดือนนะเจ้าค่ะโอเคสาธุไว้ใจไว้กระเจาะ ก, กันนะค่ะอโอเคคุณที่ประวัติไอดาโฮยูเอสเออาจารย์หลวงพ่อก็ได้ตอบคำถามในระดับภูความรู้ของโยมจากธรรมบนเขาธรรมนากุติดตรวิชานาลแล้วก็ที่นี่คะ่ะ ส่วนที่โยมต้องแก้ไขก็คือตอนเองค่ะก็ยังเหมือนเดิมเดิมแต่ก็พยายามทำให้มากขึ้นค่ะอืมพยายามมีไหนกางสำเร็จเย่ยยานี้นยามเพียรไปเรื่อยๆจ่อค่ะโอเคไม่มีอะไรนะมีก็อยู่ที่ตัวเองนะคะมันได้คำตอบค่ะว่า เ, เราเรีนไปด้คุณมารียุทธาการ งงบ่จะรอค่ะพ่อค่ะนหู่หก็ไม่ไม่มีคําถามค่ะแต่วั น, นวันสองอาทิตย์นี้ก็จะไปอยู่วัดต่าค่ะหลวงพอเดี๋ยไปบ่อยๆได้ดีไปเี่ยวเองถ้ามีโอกาสก็จะขึ้นทางทด่วนเขาเรียกไปขึ้นทางด่วนค่ะแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวทำนิดนึงก็ได้ค่ะถ้าถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติมาสัก พักสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะพอมันติดแล้วอะพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะชวนให้เราเข้าสมาธิเองอย่างนี้ยถือว่าปกปติใช่ไหมคะหลวงพ่อถ้าเราเคยทําสมาธิอยู่พอถึงเวลามันก็อยากจะทําต่อมันก็จะเข้าไปมันเป็นมันเป็นเหมือนกับมันเปน็นเป็นอะไรนิสัยไปพอถึงเวลาก็ เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะคือมันก็จะรู้สึกว่ามันมารวมกันแล้วก็แล้วก็คือต้องต้องหยุดบางทีไม่ต้องนั่งสมาธินั่งเฉยเฉยมันก็สมันก็เริ่มสงบขึ้นไปใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้บ่อยๆค่ะแล้วก็เป็นจนตอนแรกช่วงแรกๆรู้สึกว่าเราจะลำคานมันเหมือนว่านี่มันมีอาการแบบเนี้ยมันผิดปกติไหมอะไรไหมแต่พอ พอผ่านผานมาเราก็จะอยู่กับเขาได้ก็จะสงบเป็นอย่างไรครัเหมือนไม่น่าลาคายนกะับความสงบมันดีจะตายไปค่ะมันมัน ไ, ไม่น่าลาคายนกะับความสงบเนียความสงบมันดีอจะตาย <c oughs> คือตอนแรกอ่ะมันหนูต้องทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยรู้สึกขัดแย้งกันนะคะหลวงพ่อแต่ว่าพอเราปรับตัวได้ก็ปกปติอะค่ะหวลวพงพ<ะ>่อพ่อปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อคือถ้าถ้าถ้าแบบว่าช่วงจังหวะดีๆอย่างเมื่อคืนก็อยู่ถึงตีสองแบบอยู่ กบว่าจะอยูดนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะหนพ่อก็เพลินไปอย่างนี้ค่ะพอก็ยาวไปไม่เป็นไรละทำได้เท่าไหร่ไป อ, อันนี้หนูก็ไม่มีคำถามแล้วค่ะโอเคทำต่อไปนะค่ะหลวงพอ่พอขอบพระคุณค่ะไปที่คุณสนันติธร Maryland Silver Spring กลับนมัส ก, การพระจารย์เจ้าค่ะ วันนี้โยมก็ไม่มีคาถามค่ะก็ะเข้ามาทาค่ะมุณีพอยูข้างลงเดี๋ยวไยว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันชีเดี๋ยวสองสามคนเาไปได้ก็ไม่มีอะไรเข้าไปได้คุณโยมหญิงก่อนพี่ลายพ่อจตุมนทนสายสองค่ะตุมตาการพระอาจารย์ชะาดวั น, นีเข้ามากร่าพระอาจารย์มาฟังธรรมพระอาจารย์ชะข า, ามาเห็นหน้าพระอาจารย์ทุกค่ะโอเคสาธค่ะพระอาจารย์ อ่าบที่พัยาคุณตายพร้อมกันมาสการคะครับอาจารย์อันนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์เข้ามาฟังค่ะอืมนั่งสมาธิทุกวันไหอยังเดี๋ยวนี้ก่อนนั่งทุกวันแล้วค่ะ แ, <ต>แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็รีบเจริญสติวันนึงก็ได้ตอนนี้กาเหมือนเริ่มใหม่เลยพอาจารย์ ช่วงที่เราเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะเอามาเกี่ยวเข้ามาคนเราจะเจริญสติได้ช่วนั้นค่ะกือม า, อมาพูดโทรอะไรอย่าปล่อยให้ใจคิดไม่เปลี่ยนมันไม่มีคำจะเป็นน้องคิดก็อย่าไปให้มันคิดใชพด้พูดโทรพูดโทรพูดโทรไปนีกว่าน่าใจจะเบาใจจะว่างใจเย็นจะสบายถ้าค่ะอาจารย์ก็พยายามทํา ให้มันได้มากที่สุดอะคะอ่ะถึงแม้ว่ามันจะกระตาะกระแตาะแต่ว่าก็ทำจริงๆค่ะพระอาจารย์ต้องตั้งสัจจานติฐานว่าต่อไปนี้จะทำอะไรบ้างค่ะก็ตั้งสัจจา ว, ว่าอันนี้อันใหม่นะคะพระอาจารย์ว่าเข้าพรรษาจะเข้าไปนั่งปฏิบัติ ท, ทุกอาทิตย์ในระยะสามเดือนถ้าไม่มีอะไรที่แบบว่า ที่มันจะขัดข้อที่เราไปไม่ได้ก็กลัวว่าจะจองใช่ค่ะพ่อจ๋ากลัวกลัวจะจองที่วัดไม่ได้แค่นั้นเองอืค่ะรอบแรกก็ได้บนเขาล่ะค่ะอจะไปอยู่ปฏิบัติบนเขาเงนี้เลยใช่ค่ะพ่อจ๋าก็ลองดูดีลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ค่ะพ่อจย์แต่คิดว่าทําได้ค่ะได้ไม่เป็นไรได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรน้อมลุกโกคารไปก่อน แต่อย่าท้อก็แล้วกันพยายามผัดนั้นไปเรื่อยๆอี่ยงนันก็ดีขึ้นเป็นตามลำดับเจ้าค่ะอาจารย์จะพยายามค่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ค่ะอ่าไปที่ปุณจิ๊ที่แม้ว่าเวลาในการถ่ายไปสองสามอาทิตย์เนี่ยคุณจิ๊บนวัการค่ะพอาจารย์ยมต้องขอขอไปค่ะหายไปสองสาอาทิตย์เลย พอดีงาน ม, มันยุง่งว่าที่ที่แล้วก็มีประชุมแล้วก็ต้องไ ป, ปคือเหมือนกับพอทํางานตอนเชา้าปุ๊บก็ต้องรีบไ ป, ปวอล์นเทียร์ที่ศูนย์ เ, ออเขาเรียกอะไรอ่ะศูนย์เหมือนกับคนเอาของมามาบริจาคแล้วเราก็ไปช่วยเขาจัดแยกแย ก, แยกประเภทอะไรเงี้ยค่ะ อ, อค่ะก็แบบค่ะค่ะของที่นี่ยมเาเรียกว่าเป็นบุญทาบุ ญ, บญ ท, ญทางการกุศลค่ะสาธุค่ะคาด ค, คือบริษัทจัดไปคือ เหมือนเหมือนองค์กรนี้เขาทําให้แบบสมมติว่าถ้ามีพวกไอฟูจีคือผู้รีไพล์มามารีไพล์เข้าประเทศอเมริกา<ม>ค่ะ<ม>เขาก็จะแบบยกของคนที่มาบริจาคค่ะให้<ม>ให้กับคนพวกเนี้ยค่ะโ<ม><ม>ยมก็เลยรู้สึกเออดีเพราะว่าบางที่เขาบริจาคจริงแล้วสถาองค์กรนั้นก็เอาไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ได้ขายต่อค่ะก็คือ<ม>ให้กับคนที่เขาต้องการจริงโยมก็เลยแบบเออ ด, ดีดีที่เขาได้ที่เราได้ไปช่วยทำอะไรยเงี้ยค่ะ ก็มันก็พยายามบางก็พยายามจะตั้งทําสมาธิบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าลูกก็กวนอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้านี้ถ้าโยมขออภัยนะคะถ้าเดินไปเดินมาตรงหน้าจอเพราะว่าแบบต้องไปเดี๋ยวลูกก็จะเอานวดเอานี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ตั้งว่าเหมือนกับอา่าน้องคนเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเข้าเขาบรรศาก็จะพยายามจะนั่งสมาธิให้มากขึ้นทุกวันนะคะถ้าไม่มีเหตุขัดข้องหรืออะไรแบบนี้นะคะโยมก็จะ จะจะตั้งช่วงสามเดือนเนี้ยค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้ขึ้นทางด่วนกะทีมันก็อยู่เดินต่อแต่คนอื่นเขาขี่จักรยานกันแล้วยอมนั่งรถจตกรยานยนต์ ย, ย, ยังเดินอยู่แล้ยังก็ว่าโอเคก็เริ่มใหม่ค่ะพระอาจารยไ์ไม่เป็นไรพยายามทําให้ได้นะทําไปมากๆก็ทำไปค่ะสาจาัจจะนี่มันสําคัญมากๆเลยค่ะสาจาัจจะบาเลเมียนิยมว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบ สำหรับมนุษย์นี่บางทีมันถคาคนที่ยังมีกิเลสมีพันธะอยู่นี่มันแบบมันมันยากจริงๆอะค่ะแต่ก็ไม่ไม่ไม่เยอะไม่ยากเกินความสามารถค่ะก็อย่าไปตั้งให้มันเกินความสามารถของเลยเอาของง่ายๆก่อนค่ะค่ะก็เลยว่าจะตื่นเช้าให้มากขึ้นจากตื่นหกโมงกะว่าเอาสตีห้าละกันเพื่อเราจะได้แบบเออมีเวลาทำอะไรมากขึ้นหน่อยก็ลองดูเนีย ค่ะ พ, พระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์สุขภาพพราจาแข็งแรงนะค ะ, ะก็ค่ะขอให้พระอาจารย์มีความสุขภาพแข็งแรงค่ะดีใจที่ได้เจอพระอาจารย์ได้ยินเสียงพระอาจารย์เจ้ า, า, <ข>าค่ะค่ะการพิธีมรดกทางนี้คุณแอนสุภาณาในงานพิกีนนาาค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะอ ไปที่สวิตเซอร์แลนด์คุณทวิษาหลายไปหลายอาที่เหมือนกันนะไม่เข้ามาไม่ได้เข้ามาชา้าเข้าไม่ได้เข้าครับอาจารย์ฟัง<อ>ข้างนอกค่ะกล่านส ก, การค่ะอาจารย์ก<อ>็วันนี้ก็เลยเข้ามารายงานตัวค่ะอาจารย์ก็ก็คือโยมก็พยายามดึงสติอยู่กับพอาจารย์ช่วงนี้ยงก็แบบว่าอคิดคิดเยอะด้านโลกธรรม ไปทางช่วยญาติพี่น้องค่ะอาจารย์พอมันคิดเยอะๆแล้วพมันฝึกสติมามันก็หลุดหลุดหลุดนะคะอาจารย์ช่วงนี้ก็พยายามอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะพอพอไปคิดเรื่องนู่นเร่อนี้บางีมันติดพันยาวไปเนยไม่มีสติใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์มันมันแบบมันคิดเยอะนะค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ผลดวางแผนนู่นนี่นั่นพอดึงสติเข้ามา มันก็เข้ามาแป๊บนึงแล้วมันก็ไปอีกแล้วค่ะพระจันท์ช่วงนี้ก็เลยเป็นในที่แบบยื้ยื้อกันหยุกเยอะอยู่ค่ะพระจานท์แต่ยังไม่ได้ผลเลยค่ะพระจานท์ที่ทําต้องหาเวลาเบรกบ้างต้องตั้งต้องตั้งเวลาเบรกบ้างช่วงโมงนี้นั่งสมาธิอะไรเบรกมันหน่อยบางทีเวลานั่งเข้ามาบางครั้งก็ยังแบบว่าเป็นเป็นในที่แบบก็ไม่เป็นไรดีก็ไม่นั่งดีก็ไม่นั่งทิ้งไว้มันมีเวลามา ใมันมีเวลามาอยู่คิดส่วนจะหยุดได้มากมน้อยก็แล้วแต่ดีกวไม่มีเวลาเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมจะพยายามแล้วก็ทํามันค่ะพอาจารย์ไม่นเดี๋ยวมันจะลากเราไปยาวเลยค่ะอาจารย์จะกลับมากลับมาเริ่มต้นใหม่มันจะรู้สึกยากใช่ค่ะพอาจารย์ยากยากยา ก, ยากจริงค่ะอาจารย์โยมก็เลยว่าโยมพยายามจะขอสัก ห่อาทิตย์เหมือนกันว่าจะหาเวลาไปปีกวิเวกครับอาจารย์เพราะถ้ามันไม่ตัดออกมายงคงช่วงนี้ยงคงแบบถ้าถ้าไม่ตัดสิ่งแวดล้อมภายนอกนออกยงก็คงค ง, คงแบบโอ้ลมบากไลครับอาจารย์หาความสงบยากใช่เราต้องเป็นตัวคนผู้ ก, กำหนดเวลาการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีการกำหนดมันก็จะไม่ไม่ได้ทำออใอาจารย์ค่ะเนี่ยอทิตฐานกระลกอิฐาน เ, เราต้องกําหนดเวลาของการปฏิบัติแล้วก็สจัจจะแล้ก็ต้องไม่ไม่หลอกตัวเราเองกําหนดแล้วก็ต้องทําตามที่เรากําหนดไว้ครับอาจารย์กาหนดเอาเน้นน้อยก่อนนะคะอาจารย์ช่วงนี้ก็ดูตามกําลังของเราดูตามภาวะของเราแต่ยังน่าคาดมันมีบ้างคามันมีเบรกบ้า ง, น, างานักกีฬาเขายังมีมีช่วงเบรกเลยใช่ไหมนั่นเเล่นกีฬาเขาไม่เล่นไปตลอด2ชั่วโมงครับอาจารย์ ทำอย่างอื่นทำได้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์แต่ยมจะน้องนํามาปฏิบัติค่ะเริ่มใหม่ค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะค่ะข่าวชกลับขอบคุณค่ะอคุณยศคุณยศสวัสดีอยู่ที่ไหนรัมสักการเจ้าค่พรอาจารย์อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนที่เข้ามาจากนครนายกค่ะตอนนี้กลับมากรุงเทพแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ มีเรื่องกางกรับเรียนแล้วก็มีเรื่องถามค่ะเรื่องกลับเรียนก่อนก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่หนูถามพระอาจารย์เรื่องการทําใจให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรามักจะเอาไป เ, เปรียดเทียบกับคนอื่นนะคะพระอาจารย์สอนว่าให้มองในส่วนที่เราเหมือนเขา mm. เขาเหมือนเราหนูก็ลองเอามาทํามันทําให้มันกลายเป็นว่าเราเห็นอกเห็นใจเขามากกว่าค่ะเวลามัน มันเหมือนพอไปคิดว่าเขาก็มีร่างกายที่เจ็บปวดได้เหมือนเราเหมือนกันแล้วเขาก็มีทุกข์อย่างที่เรามีแต่แค่เรื่องใครเรื่องมันมันก็กลายเป็นว่าเราเมตตาเขาไปในตัวเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรในการจะเทียบมากขึ้นนะคะพระอาจารย์เรื่องที่สองเรื่องที่กลับเรียนพระอาจารย์ว่าเวลาทำงานนะคะพระอาจารย์มันมันจะกลัวความล้มเหลวทีแรกหนูไม่รู้ว่าคือมันคือการกลัวความล้มเหลว พระอาจารย์บอกว่าอาจจะเพราะหนูโค้ชคำล้มเหลวก็ได้หลังจากพระอาจารย์แนะนําทางเดื่อปัญญาและสติมาหลังจากนั้นประมาณสามวันค่ะพระอาจารย์โจทย์ก็มาเลยค่ะดีๆก็โยนให้หนูไปพูดในเวทีการประชุมนานาชาติซึ่งปกติทุกครั้งค่ะพระอาจารย์ที่หนูต้องคืองานหนูต้องต้องคุยกับต้องคุยภาษาอังกฤษแต่หนูว่าหนูรู้สึกว่าหนูหนูมีความกลัวภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิมแล้วคนรับตัวหนูว่ะ เขาจบเมืองนอกเนี้ยค่ะอาจารย์ดังนั้นภาษากรีกเขาจะดีนี้แต่หนูอ่ะไม่ดีแล้วหนูก็รู้สึกว่าพอเราพูดไม่ได้อย่างที่ใจเระอยากพูดมันยิ่งอึดอัดค่ะพระอาจารย์แล้วมันจะรู้สึกเตรวเงด้อยแต่ว่าพอมาบอกกับตัวเองว่าก็ทําเต็มที่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องดีหรือไม่ดีแต่ต้เต็มที่ค่ะพระอาจารย์ปรากฏว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยมั้งคะที่พอพูดเสร็จแล้วหนูไม่ไม่ไม่เครียดปกติค่ะพระอาจารย์ถ้าหากหนูมีงานอะไรที่ต้องคุยกับพวกทีมที่มาจาก ต่างประเทศอะค่ะเย็นนะั้นหนูจะต้องร้องไห้แล้วหนูจะป่วยไปอีกสามวันค่ะคือมันจะหมดแรงมันจะซึมมันจะเศร้าไปนานเลยค่ะพอาจารย์แต่รอบนี้ไม่เต็นค่ะไม่ไม่รู้ว่าอาจจะเพราะไมค์เซตแรกที่เซตไว้เลยว่าก็ไม่เป็นไรพลาดได้ไดที่พะอาจารย์บอว่ามันก็ยังไม่ได้ไปตั้งความหวังไว้กับก า, การการกระทาได้แล้วก็ได้ไปตามไตามเกิด ใช่ค่ะอาจารย์ก็ก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นสุขขึ้นค่ะในเรองการทํางานแต่จริงๆงานก็ยังกองโตอยู่นะคะไม่ได้ลดลงแต่แค่มันก็รู้สึกดีขึ้นก็เราทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันส่วนผลมันก็เราอย่าไปมัน่นหมายว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แต่เรื่องความฟุ้งซ่านก็ฟุ้งหนักหนักมากค่ะฟุ้งถึงขั้นว่าขนาดโสดมนก็ยังมีเรื่องแทรกอยู่ค่ะพระอาจารย์ไ ม, ไม่ไม่สามารถจริงๆริงค่ะทันแต่ก็ ก็ยังพยายามอยู่นะคะ ม, มันถ้ า, าชีวิตทำงานเรามันทำให้ใจเราไปคิดมากพอเวลาจะมาปฏิบัติเนี่ยมันจะยากเพราะมันยังค้างคา อ, อยู่ในใจเราอยู่เยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์เขาเรียกว่าสัญญาลมสัญญาลมคนคนต้องการปฏิบัติจริงๆต้องไปปีกเวกต้องไปทำไปปฏิบัติช่วงที่ไม่มีงานทำช่วงที่วันหยุดอะไรอ หนูหนูวางแผนไปแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยววางวางแผนลาแล้วแล้วก็โทรไปที่วัดแล้วแต่พอดีวันนี้อาจจะโทรผิดเวลาว่าจะไปสามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยค่ะจะเริ่มไปอาจจะไปอยู่ทั้งอาทิตย์นะคะ<ม>ไปที่วัดนะคะพระอาจารย์ก็ดีต้องมีเวลาเปลี่ยนวิเวกบ้างถ้าอยู่ในเวทีมันก็ต้องโชคกันตลอดเวลาใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วหนูหนูรู้สึกว่าหนูไม่หนูไม่ได้เก่งขนาดนั้ น, นะค่ะพระอาจารย์แล้วหนูเหนื่อย บางครั้งหนูก็รู้สึกว่าหนูก็อยากขึ้นต่างโดนคนอื่นแต่ว่ามันทำน้อยังไม่ได้ก็ต้องทําไปตามขั้นตอนของเราแต่ละคนมีขั้นตอนไม่ไม่เท่าเทียมกันบางคนเขาออกออกก่อนเรากเขาไปก่อนเราเราเพิ่งมาออกภายหลังเราก็ต้องไปตามคิวไปแล้วกันอย่าไปมองคนอื่นแล้วทําให้เราท้อมองคนอื่นแล้วทําทให้เรามีกําลังใจจะดีกว่ า, เ, าเขาเป็นตัวอ่ะ เข้าไปได้แล้วก็ต้องไปได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็าเรื่องสุดท้ายค่ะพอดีว่ามีเพื่อนรุ่นพี่ค่ะเขาเสียคุณแม่แล้วคุณแม่ค่อนข้างเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจเขามากๆค่ะเขาก็มาคุยกับหนูขอความเห็นนะคะพระอาจารย์ว่าเขารู้สึกว่าคําสอนในศาสนาพุทธเราอะค่ะค่อนข้างจะทัฟสําหรับเขาเมื่อเขาเสียคุณแม่ปุ๊บหนูหนูเข้าใจว่าเขาคงเคร่งคว้าญมากเขาเลยบอกว่าเนี่ยเขาจะไปศึกษา คาสอนศาสนาคริสคิดยังไงถ้าหากพี่จะเปลี่ยนไปเป็นคริสอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คือส ต, ติปัญญาหนูก็มีเท่าเนี้พระอาจารย์คะหนูก็เลยบอกแค่ว่าจริงๆศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้อยู่กับความจริงมากกว่าซึ่งความจริงมันเขาคงยังอ่อนแอะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแค่บอกว่าพี่จะลองศึกษาก็ได้แต่สุดท้ายแล้วจะศาสนาไหนความจริงก็ก็มีอย่างเดียวอืมหนูก็เลยจะ มาถามพระอาจารย์ะคะ่ะว่าถ้าหนูเจอเคสอย่างนี้ในอนาคตซึ่งหนูเจอเป็นเคสที่สองค่ะแต่เคสแรกเขาไม่ได้ถามความเห็นหนูก็ไม่ได้พูดที่เขายังเจ็บปวดจากการสูญเสียแต่คนเนี้ยเขาถามความเห็นแล้วหนูก็บอกเขาแค่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจตอนที่ทุกข์หนักๆมมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้แค่นั้นเองนะคะ่ะพระอาจารย์ถ้ามีคนเขากําลังเจ็บปวดจากการสูญเสียมากๆแล้วเขารู้สึกว่าคําสอนศาสนาพุทธ เราไม่สามารถเดียวยาเขาได้อะค่ะพระอาจารย์จะแนะนําเขายังไงดีคะก็ไม่แนะนําอะไรมันเป็นเรื่องเรื่องศรัทธาเรื่องของความอยินดีของเขาถ้าเขาไม่ยินดีก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ไม่ <Okay. S 1> เป็นไรหรอกมันเรื่องคิดจอยเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็อาจจะกลับมาใหม่ก็ได้บางที <c oughs> อาจจะไปเพราะเขาอาจจะ คิดว่าทางโ้นอาจจะดีศาสนาอื่นอาจจะดีกว่าแล้วก็ให้เขาไปลองดูก็แล้วแต่แต่เรามั่นใจว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับศาสนาพุทธถ้าเรามีปัญญาเข้าถึงถ้าเราสามารถเข้าถึงคําสอนได้เข้าใจคําสอนของพุระเจ้าได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ช่วยไม่ได้ของนี้มันบังคับแต่ไม่ได้อืมแล้วถ้าเกิดเราเราเราคิดเข้าข้างเขามากไปไหมคะว่าเพราะตอนนี้เขากําลังเจ็บปวดอยู่ก็เลย บอกเขาว่างั้นถ้าเกิดคิดอ่าเขาก็คงรู้สึกว่าเขาบอกค่าทางนั้นน่ะก็คือสําหรับเขาพรเจ้าจะรับรับแม่เขาไปแต่อย่างของพวกเราอะค่ะพระอาจารย์ก็คือทํายังไงก็ไปอย่างนั้นแล้วกึ่งกึ่งจะหลอกหนูไม่ได้ว่าศาสนาเนื้อหนูคําว่าพี่เขาเหมือนจะหลอกตัวเองอยู่เบาๆนิดๆแต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะไม่ไม่ได้พูดมากกว่านั้นพยายามไม่แตกเรื่องความเชื่อเลยที่สั่ไปที่ที่สุดอย่าไปอย่าไปพูดเรื่องความเชื่ออเลยก็เชื่ออะไรก็ไปก็เชื่นั้นไป นอกจากว่าเข้าถามเราเราก็พูดไปถ้าเขาอยากจะรู้ทงางศาสนาพูดเป็นยังไงเราก็บอกเขาไปถ้าเขาไม่สนใจเขาเชื่อแนวของศาสนาไหนเขาปล่อยเขาเชื่อไปเป็นสิทธิของเขาการไปบอกแค่ว่าเดี๋ยววันไหนพี่ก็ลองไปดูก็ได้แล้วพี่ลองเทียบดูก็ได้ก็บอกเขาแค่นั้นเราก็บอกว่าสุดท้ายแล้วความทุกข์อยู่ในตัวคนเราไม่ได้อยู่ที่ศาสนา อันนั้นอันนี้หนูคิดอย่างนั้นนะคะพาจาร์หนูหนู ก, ก็เล ย, จยแจ้งเกีรื่องนดวยกก่อที่ <ไป S 1> ทความอยากขอ ง, <ๆ S 2> ของเรานั่นแนหะความอยากให้คนนั้นคนนี้ไม่ตายจากเราไปพอเขาตายจากเราไปก็ทําให้เราทุกข์เพราะเราไม่มองความจริงว่าทุกคนว่าไม่ช้าก็เลยว่าต้องตายจากกันไปเป็นธรรมดาต้องไม่เต็มรับ ค, ความจริงอันนี้พ่ เ, เจอความสูญเสียอะไรทําใจไม่ได้แค่นั้ น, นอเอง อ๋อหนูก็มีเรื่องกราบเรียนพระอาจารย์เท่านึงค่ะคือไม่ต้องไปวิตกกังวลอย่างเรื่องของคนอื่นก็ช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยเข้าไปตามตามนั้นของเขาค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์นะนะคนค่อ่าคุณประกรารณ์เลียววันนี้ก็ส่งสลิปมาให้แล้วน้สาสาวโจ้นน้าสาวสาวครับ จะมาขอพ่อหลวงตาครับอาทิตย์หน้าวันเกิดเอ่าอ่า <c oughs> พร อ, อ, อ, อยู่ที่ตัวเราูปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนปิดเสียง อ, อย่ อ, อ่าครับ อ, อ่าพร อ, อยู่ที่ตัวเราทาดีได้ดีสาครับอยากยันดีก็ทําความดีไปเรื่อยๆครับทำบุญทําทานทําประโยชน์ เชื่อฟังคุณแม่ทําให้คุณแม่มีความสุขนีทำตัวเราให้ดีตั้งใจเรียนหนังสือทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไมันอยู่ที่การกระทำมไม่ได้อยู่ที่การขอขอได้ก็เป็นเศรษฐีกันทุกคนไม่ต้องมาเรียนหนังสือให้เหนเ็ดเหนื่อยเปล่าใช่ไหมขอให้เป็นมหาเศรษฐีขอให้เป็นวิ เ, วเกตทุกคนเป็นได้มไหมใช่ไหม นะพรอยู่ที่การกระทําของเราพ้รเป็นผลต่อจากการกระทําของเราครับทำดีไ้ดีทำดีได้ความสุขความเจริญทําไม่ดีก็ได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมนะงั้นอย่าทำบาปอย่าทำบาปอย่าเสพบาบายาโมกความวุนนี้จะทําให้เราเสื่อมเล่นสุราเล่นการพนันเที่ยวเตะ องนี้ไม่ดีฆ้าสัตว์ตัดชีวิตโกโหกหลอกลรงชอบโกงนี้ก็ไม่ดีเนย่ยทำทำบุณทำประรโยชน์เนี่ยเป็นภาษ า, าสมัครอย่างที่ทำบุญซื้อเสื้อให้จากให้หนักเรียนโรงเรียนผู้รู้อย่างเงี้ยชุดเสื้อฟุตบอลอะไรอย่างเี้ยทำความดีไปนะแล้วความดีมันจะส่งผลให้กับจิตใจเราครับ<อ> ครับครูขอบคุณหลวงตาครับแต่อยากจะให้อยากจะให้พรก็ให้แต่เพียงจะพูดให้ว่ามันก็เป็นแค่คําพูดเท่านะขอให้สุขเป็นเจริญให้ร่ำรวยนะครับขอบคุจะากหายหน้าหายหน้าไปหายหน้าไปหลายเดือนนึยเจ้าค่ะก็แต่ฟังหลวงพ่อตลอดเจ้าค่ะหลวงพ่อยุ่งทางโลกแบบงานทางโลกอะไก็ไม่เสร็จต้องเสร็จยังว่านยังไม่เสร็จอีกครั ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนแต่ว่าย้ายเข้ามาแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เขาก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเจ้าค่ะเพราะว่าถ้ารอก็คงจะปีหน้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็เลยแบบยุ่งยุ่ง้าหลวงพ่อแต่ว่าลูกก็ฟังธรรมะหลวงพ่อตลอดแล้วก็มีแอบหนีไปวันวันวิสาขบูชาเจ้าค่ะเด็จไปปฏิบัติธรรมกับ ท่านพระอาจารย์วอแล้วก็ท่านพระอาจารย์ชยสานโลลีโอก็ไปด้วยกันเจ้าค่ะไปที่ที่ที่วัดท่านเลยเนียอ่าที่บาร์เซโลนาเจ้าค่ะอ่าท่านมาที่ที่นั่ทหนเนยเออค่ะแล้วก็ได้ไปก็เจ้าขานได้ไปเจ้าขานได้ไปหนึ่งถึงเจ็ดได้ไปเ ด, ด, ด <laughs> ะเพราะสามีจะขอแลว้ว <laughs> เหนื่อยสักคะพอย้ายบ้านใหม่แล้วมันเหนื่อยเจ้าค่ะสักค ะ, mm hmm. คะแล้วก็คือตอนนี้ที่บาเซโล่ที่สเปนยังไม่มีวัดไทยเจ้าคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออ่ามีมติท่านอวัดอารามดีจะเปิดสาขาที่ที่บาเซลโลนาก็เป็นข่าวดีของคนไทยสักคะสัง mm hmm. คะ่ะเพราะท่านอท่านท่านอนุมัติแล้วว่าเมษานี้ก็กําลังดูสักคะ ก็เป็นข่าวดีของคนไทยที่อยู่สเปนก็ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะดียังไงมีที่พึ่งใจนะเจ้าค่ะก็คนไทยที่นี่ก็ก็ไปปฏิบัติเยอะท่านก็บอเออไม่ไม่ไม่คิดว่าคนไทยจะแบบรวมตัวกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ดีใจเจ้าค่ะจะได้มีวัดใกล้ๆที่นี่ที่นมงนอกจากที่ที่ที่อังกฤษแล้วอะไรอย่างเงี้ยจ้าก็ สุภาพอาจารย์แต่ว่าลูกก็ฟังฟังตลอดเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่าลูกไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเราก็พยายามแยกแล้วตอนนี้ก็คือลูกกับเหมือนไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากยุ่งกับใครค่ะเหมือนแบบเหมือนจิตมันวิเวกอะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันมันเป็นสภาวะที่แบบไม่อยากยุ่งกับใครเลยไม่อยาก คือไม่ได้โกรธไม่ได้เครืองใครไม่ไไมีอะไรแต่ว่าไม่อยากอืก็ระวังอย่าให้อย่าให้ม ja ันเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วเวลาต้องเจอคนก็ต้องเจอคน้ใค่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวค่อยเจอแล้วก็คุยกันทีเดียวเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วโทรศัพท์อะไรก็เหมือนแบบ ไม่ได้สนใจแค่ถึงเวลาฟังธรรมของหลวงพ่อก็มันจะหยิบขึ้นขึ้นมาอะไรเงี้ยนอกจากเมื่อก่อนเราก็ยังยังยังเจ้าค่ะและอย่างหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วยหน่อยเจ้าค่ะมันเหมือนแบบมันปล่อยวางแรบไม่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วคนที่บ้านเขาก็เริ่มคอมเมนต์นะเจ้าค่ะคือมันเหมือนเราปล่อยวางแล้วจากที่เราเป็นคนที่ คนที่ที่แต่งตัวต้องสวยงามไม่งั้นออกบ้านไม่ได้ไม่รู้ใครคอยู่ใกล้ก็คิดว่าเรา เ, <ล>เราเล่นละครไปก็แล้วกันถึงเวลาเล่นละคร ก, ก็ก็แต่งไปไม่ได้แต่งเพราะของเราชอบแล้วเราอยากอยากมันเป็นมันบทละครที่เราต้องเล่นต้องเวลาต้องไปดินเนอร์ไปเวลาต้องไปเจอเขาก็าแต่งให้เขาหน่อยอนั่นเองจ้องขาเราก็มัน โอโหแต่ว่ามีรู้เลยว่ามันพอมันวางเนี่ยมันไม่เอาแบบคงคีมอะไรนี่เขาซื้อมาให้แพงๆ แ, แ, แ, แ, แ, แ, แล้วมแบบมันเราก็ต้องรักษา<ๆ>เราต้องรักษาํ า, าใจไว้อยู่ด้วยกันเราแต่ใจเราอย่างเดียวมันไม่ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวก็โอเคแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นก็ต้องต้องรักษานลำใจกันงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไม่ได้ลูกค่ะลูกก็ ก, ก็พยายามเออบัวไม่ช้ําน้ําให้คุณ เจ้าค่ะก็น้าาเขาจะได้ไม่ไม่ได้อะไรก็มีเาก็ให้เขาบ้าเขาให้เราเราก็ต้องให้เขาบ้างอาเขาก็บอกฉันไม่ได้อยากมีภรรยาเป็นแม่ชี่อื่าใช่เลยแม่ชีเขาก็ไม่มีผัวอยู่แล้วเราต้องหาลูกมันไม่มันแบบเป็นสิ่งที่ข้อแม่้ เราต้องเล่นบทภรรยาเราต้องเล่นบทภรรยาเราเป็นภรรยาถึงเวลาก็ต้องเล่นบทภรรยาถ้าหลวงพ่อแล้วอีกอย่างก็อีกอย่างก็เลืยกไม่เล่นบเ๋ย่าไปเล่นบทแม่ชีก็เขาบอกว่าเธอจะเป็นเธอจะเป็นแม่ชีแล้วอะไรเงี้ยเธอแบบอะไรเงี้ยจะเป็นแม่ชีแล้วยองก็แบบศูนเจ้า เป็นไรรอให้พ่อตายก่อนแล้วพ่อเป็นตอนนี้ก็ยังไม่ตายยังไม่เป็นเจ้่ข่าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อสจ้าข่าวไม่ได้ไปไหนครับแต่ว่าเป็นเหมือนปฏิบัติที่ใจอยู่ทั้งเรื่องข่าวปฏิบัติที่ใจแต่ร่างกายก็แต่งตัวให้สวยหน่อยก็แล้วกันก็จะได้ชื่นชมยินดีแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ก็เลยว่าพอมันวางไม่เอาแล้วมันมันไม่เอาจริงๆอ่ะมันแบบมันมัน เป็นเรื่องที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดว่าเอาตนรู้ได้เฉพาะตนน่ะปฏิบัติไปแล้วโออันนี้ลูกก็ก็เข้าใจได้คํานี้ค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะอาทิตย์หน้าวันเกิเโดโอแล้วก็เลยบอกเขาว่าโอ้ก็ทนวันนี้ก็ได้เหมือนกันแหละลูกไม่ต้องรอทำวันไหนก็ได้บุญทุกวันค่ะเนี่ยหลวงก็บอกเขาแล้วเขาก็งานเยอะแล้วที่บ้านก็ย้ายมใหม่งานงา น, งานฟุตบอลเขาก็เยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะ โยมก็ก็พยายามบอกเขาว่าอย่าทิ้งเรื่องเรื่องนี้ถึงเวลาเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างก็ปอบเขาเจ้ค่ะเขาก็ได้ช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะวันวิสาขบูชาเจ้าค่ะก็ได้ไปด้วยกันเขาก็ได้ช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อุปถัมภ์มาช่วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะดีค่ะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าค่ะอยู่ลเ ป, ลป็ิล่มโพลมใสของลูกหลาน อออยู่ท่าที่จะอยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปโอคขอให้งพ่อมีธาดขันแสงแรงโอเคโอเคสาธุอายสุขกัเจริญนะมันเกิดอายุมั่น่ายืนมั่งมีสีสุขแล็วค่าปลอดภัยสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะไปที่คุณหมอหน้าทวีหมอหมอธรรมอขอธรรมสการ์าครับ เป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้ผมถอยไปเยอะเหมือนกันครับพอดียุ่งกับงานทั้งโลกเนี่ยพอดีพยายามคิดในแบบฝันชั่ววันไม่เอาจริงอาจังของมันแต่ว่าถึงเวลาก็เช้าฉาบเย็นชาบไม่ได้ครับพอดีโดยตาแหน่งก็ไอโดยงานนะครัต้องต้องรับไอ้ขาเขีว่าเป็นบทละครที่เราต้องเล่นกันแล้วกันครับะแต่ผมมาสังเกตดูเหมือนกันว่าบางทีก็พยายามแบบ ไม่ต้องไปเฉยๆกับมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอย่างพอดีจัประชุมอะไรสัปดาห์มันก็เตรียมสลงสไลด์ไม่ทันมันก็มันก็มีความวุ่นวายใจอยู่เหมือนกันก็แสดงว่าเราน่าจะปล่อยปล่อยไม่ได้จริงะแต่ว่ามันก็แต่มันก็เหมือนกับถ้ามันไม่มีมันก็จะก็ต้องจะต้องพรีเซนต์ต้องทำให้เสร็จอะไรเงี้ยมันก็อมันก็ต้องทําให้ดีที่สุดก็ต้องทําให้ดีใช่ไหมครับใช่ อะไรเนี่ยถ้าทำอะไรก็ต้องทําให้มันดีที่สุดถ้าที่เราอยากมาครับถ้ารับมาแล้วก็ไปไปไปเซ็นแล้วทำครับนะใช่ครับก็ก็คงต้องเอ๊ะพูดงว่าปกติใช่ไหมครับที่ที่เราอาจจะมีแต่ว่าผมก็อาศัยว่าพอปีเซ็นเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็หาเวลามาปฏิบัติของเราแต่ว่าครับับมาอันนั้นอันนั้นก็ปกตินะครับคนก็อาจจะมาลองลอคําจอยของเราก็ต้องพยายามให้ความรู้ให้เขาดีที่สุดครับ ครับมีม ว, วิทยาทา น, นที่ว่าเราทําวิทยาทานกัแล้วกันครับนี ม, มีมีจัดประชุมก็ตามประเทศมีอะไรหลายหลายอันติดติดกันทุกทุ ก, ทก <S <S สัปดาห์เลยครับก็เลยก็เป็น<ไ>ปวิทยาทานครับมันก็ก็ก็ต้องทำใช่ไหมครับแปลงง่ายว่าเออคนจะต้องแบบฝันกลางวันแล้วทําวันที่ทำได้แล้วแต่มันก็คือท้าเราถ้าเราปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปปฏิเสธไม่ได้เราน้องทําด้วยครับนะครับทําตามหน้าที่ครับ ช่วงนี่รู้สึกลับๆมาเยอะแล้วมันปฏิเสธไม่ค่อยได้แล้วก็ไปเลิศเทคเป็น์ไปแทนตัวแทนประเทศเลยเข้าไปแล้วไปตัวแทนศิลปไปต่างประเทศอลไรอะไรต่างๆเพราะเรายังมีหน้าที่การงานของเราอย่างก็ทำไปครับครับใช่ครับก็ก็พยายามตอนนี้ก็เลยน่าจะเริ่มดีขึ้นนิดนึ่งแต่ว่าเนี่ยพยายามแต่ว่าก็รู้สึกว่าอพอพองานมาเยอะๆเราทําไม่ค่อยทันมันก็มันก็ บางทีก็ทําทั้งเจดวันเนียมันดึงเวลาปฏิบัติเราเสียเสียเออ๊รักษาเอ๊ไอแพทเทิร์นของเราอยู่เช่นครับอเดี๋ยวต้องคงต้องเอาวิธีให้มันน้อยลงออกไปต้องออกนะจะจะเอาเอาทางไหนเอาอย่างไรครับนะดูว่ามันทําไม่ใครได้ใช่ครับไม่ได้ลองทําไปก่อนทำเท่าที่ทําไปก่อนนะครับได้ครับแต่หลันี้ก็ต้อง ต้องต้องเอ๊ะวางได้ในจริงแหละ mm hmm. ครับแต่ว่าแต่ว่าก็เขาพยายามดูพยายามพยายามถ้าถ้าวางก็พยายามมานั่งอยู่ครับถ้าถ้ามีเวลาครับแ ต, ว, mm hmm. แตว่าเหมือนเหมือนที่อาจารย์บอกก็ไปชอกตลอดเวลาไปพักรู้สึกพอพอพ อ, อเข้าเวทีแล้วมันดนดึงดนดึงไปรู้สึกไยไปเยอะเลยครับนะ mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวช่วงช่วงช่วงต้นเดือนน่าจะได้ไปวัดครับ ตอนแรกตอนแรว่าจะไปช่วงวันหยุดยาวแต่ว่าก็มีงานต้องไปต้องไปทำอะไรเล็กเชอไลร์ไปสิงคโปร์แล้วก็ไปไปเล็กเชอร์ที่ฮ่องกงก็เลยก็เด็ยชนกันเก็ต้องต้องอีกสัปดาห์นี่ครับนะ่ยก็เลยจะเป็นก็เลยจะรุ่งแล้วมันเลยหาไม่ได้แบบพอผมดูแล้วเป็นทุกข์มากกวเป็นโศกครับเพราะว่าด วเราทำนล้มันเป็นทุกข์ใช่ครับผมดูแล้วมันไม่ได้ไม่ได้สุขจริงอะมันก็มันก็จะมีองานที่เข้ามาตลอดแล้วก็มีมีอะไรที่หรอแล้วดูแมันก็ไม่ได้ใจไม่สงบอ่ะดูแล้วมันมันก็ต้องไปเกี่ยวพันงานงานแล้วแล้วก็มันก็มาเยอะๆแล้วมันก็ผมว่าดูแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ทางน่าจะไม่ถูกทางครับเราหลงไปไกลอยูครับแต่ว่าต้องหาทางออกโอเค ถ้าลดถ้าลดถ้าลดงานได้ก็ลดถ้าลดไม่ได้ก็ควรต้องทนไปไก่อนครับครับดูดูแล้วค ง, งต้องต้องหาถ้าอยู่อย่างนี้มันก็คงมันมันก็เหมือนมใช่ครับลองต้องพยายามหาวิธีน <c> ะ <oughs> ครับไม่งั้นเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยมันมีช่องทางถ้าเราพยายามคนี้มันมีทางออกครับครับคิดๆอยู่ครับ โอเคมีตอนนั้นนะแช่ครับครับผมขอบคุณ บ, บ, บ๊ายบายที่คุณเน่คุณเน่งเชิญเน่ ก, ก็ทําเก่านวมสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มารายงานผลเจ้าค่ะม า, ารายงานก็จากที่ตอนนั้นคือคือยมพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นเจ้าค่ะว่าแบ่งเป็นช่วง ว่าสวดมนต์สามสิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิสามสิบนาทีแล้วก็ฟังธรรมสามสิบนาทีแล้วก็มานั่งสมาธิสามสิบตอนนี้ยอมปรับเป็นว่าสวดมนต์ยาวไปเลยสี่สิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิต่อกันไปเลยหนึ่งชั่วโมงได้แล้วเจ้าค่ะตอนเช้าแล้วก็ช่วงระหว่างวันถ้ามีเวลายอมก็ฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิซึ่งชั่วโมงถ้ามีเวลาก็เป็นหนึ่งชั่วโมงได้แล้วเจ้าค่ะค่ะดี Люб พยายมทำไปเรื่อยๆก็กได้รับกำลังใจมาจากห้องซูมเนี้ยแล้เจา้าค่ะเพราะว่ายยมไปดูโยมเพิ่งแต่ก่อนก็แบบฟังแต่ไม่ได้เข้ามานะคะก็ดูใน y o u t u b e แต่ว่าไม่ได้เข้ามาร่วมสนทนาเจ้าค่ะได้เข้ามาตอนเดินเมษาเจ้าค่ะแล้วก็พยายามเข้ามารายงานแล้วก็เห็นฟังคนนู้นคนนี้ที่เขาแบบย่าดีทำที่เขาตั้งใจปฏิบัติก็ทาให้เกิดมีกาลังใจเจ้าค่ะในการปฏิบัติ มากขึ้นเยอะเลยเจ้าคะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนนะยมแบบเหมือนแบบตั้งใจจะปฏิบัติแต่ว่ามันก็ไม่เดินหน้าสักทีแต่พอได้เข้ามาร่วมฟังธรรมกับพระอาจารย์แล้วก็ฟังญาติธรรมที่เขาตั้งใจอ่ะเจ้าคะ่ะก็รู้สึกเป็นกำลังใจค่ะขออนุโมทนาบุญเจ้าค่ะสาธุค่ะการส น, าานทนาธรรมมันเป็นเป็นมงคลอย่างยิ่งมันช่วยให้เรามีกาลังใจได้เรียนรู้เรื่องราวแปลกๆที่ เราไม่ขัะไม่รู้มาก่อนแต่ละคนก็มีประสบการณ์ต่างๆกันให้เราได้ได้ดูได้ศึกษาเจ้าคะเป็ประโยชน์มากๆเลยเจ้าค่ะกับขอบพระคุณนะเจ้าค่ะก็ดีเจ้าค่ะแค่นี้เจ้าค่ะขอให้ทําไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณอาพิเศษในกรนครหายหน้าไปหลายเป็นเดือนนัเนีลยครับอาจารย์ครับการนวัสการอาจารย์ครับอาจารย์ เป็นไงสบายดีนะสบายดีอยู่ครับพอาจารย์ก็ฟังคําสอนของอาจารย์อยู่ครับอครับก็วันนี้ไม่มีอะไรจะถามอาจารย์ครับอาจารย์อืมอยู่ใกล้วัดพอาจารย์แบนรนใช่ไหมอ่าห่างกันประมาณสั ก, สกประมาณยี่สิบกิโลครับอาจารย์โดยธรรมชาติดีครับได้เขาได้เขาในประเทศเสด็จไปเร็วนี้ใช่ไหมหรือว่า อืมไม่ทราบครับอาจารายา์อยู่ในเทรนด์ตรงกั บ, บส่วนใหญ่ก็จะไปที่วัดอตรงไอ้นักณิมิตของป้าจย์ว่านนะครับอืมครับท่านสร้างเจดีย์อยู่ครับอาจารย์อืไม่ดีท่านวันไหนไมีก่อสร้างเนีย่ยไปดีกว่าแต่วันยเงียบๆครับเราสร้างใจแเรานะไม่ไปสร้างเจดีย์ ก็สร้า <K D> งใจก็สร้างอยู่ทุกวันครับอาจารย์แ่ที่ยุ่งเงียบที่สงบที่ไหนมีการก่อสร้างมันมีการเพ่นพ่านมีการอะไรก็มันไม่ค่อยสงบแต่ถ้า <K D> แต่ถ้าก็แบ่งเป็นโซนได้ก็โอเคสนะ่วนปฏิบัติก็เป็นโซนปฏิบัติส่วนก่อสร้างก็เป็นโซนก่อสร้างไปครับแบ่งเป็นโซนครับอาจารย์ ตรงที่ท่านสร้างเจดีย์เนี่ยเอ่อตรงนั้นมันเป็นจุดที่พ่อจารย์เสาท่านเคยมาเคยมาปรากฏอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาเขาเขาเอ่อทาเป็นไร่เป็นนานและทีนี้ก็มีการซื้อซื้อกลับขึ้นมาเป็นของวดัดครับอาจารย์อืมแล้วก็มีการสร้างเจดีย์เป็นอนุสรณ์ไว้ตรงนั้ น, าาานครับป้าจย์อืมครับโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมตอนนี้ครับไม่มีอะไรครับอาจารย์ตรงน เข้ามาเื่อนฟังฟังธรรมครับพอาจารย์โอเคสาธุข <ไป S 2> อบพระคุณพรารฟังว่าอะไรศีลรามแบนมาสการเจ้าค่ะมาฟังธรรมเพื่อเพิ่มบรรดาตเช่นกันเจ้าค่ะโอเคเป็นใบดชนะดาสมุดปากการเราาื่องศีลธารมนรมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้อยู่สูตรปากกาค่ะพระอาจารย์ค่ะ มันก่อนมนาะปฏิบัติที่มอนขาวนะใช่ค่ะพระอาจารย์อเอ่อรอบแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะพระอาจารย์อื ม, มันจะมันจะคนละแบบอะค่ะพระอาจารย<อ>์เหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมพระอาจารย์ก็อืมก็เออรอบนี้ก็จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงตุบตุบตุบตุบอยู่ในคอตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์ ื mm hmm. ตลอดเวลาแล้วก็ก็พยายามเขาเขาเรียกว่าอะไรในลูกลูกก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงดีรอบนี้เป็นเป็นอะไรที่มันแบบอือคือรอบอก่อนๆมันมีความทุกมาใช่ไหมคะแล้วเราก็พยายามจะข้ามทุกนั้นให้ได้โดยที่แบบว่าเออ่พยายามเดินจงกรมให้ให้ให้ล่อให้มันสงบ แล้วก็ตั้งสติแล้วก็เข้าสมาธิใช่ไหมคะมันเหมือนมีงานทำแตพ่พอรอบนี้มันเหมือนแบบมันไม่มีความทุกข์อะไรแล้วมันก็เลยมันก็เลยแบบแต่มันก็เลยบางทีก็ต้องงงๆนะคะพระอาจารย์แ ต, แต่แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรแต่ก็จเจริญสตินะคะพระอาจารย์แล้วก็ก็ได้เสียงตุบ ๆ, ๆอยู่ในคอตลอดเวลาเหมือนกันคะ่ะพระอาจารย์แต่รู้สึกว่ามัน จิตมันไปแสดงตอนตอนหลับออรอบนี้นะคะมันพอพอตอนพอตอนนอนนอนภาวนาใช่ไหมคะพระอาจารย์เ อ, อตอนช่วงที่เราหลับเราหลับแล้วเราพอพอพ อ, พอรู้สึกตัวคะ่ะพระอาจารย์ก็ลูกก็เจริญสติเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนอาการทางจิตมันก็แสดงออกมาแบบเหมือนตัวเหมือนถูกไฟช็อตอะคะ่ะแล้วตัวมันจะแตกออกจาก แตกจนหมดเลยมันตัวมันจะแตกอะค่ะพระอาจารย์แนวนั้นนะคะลูกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องทอํายังไงลูกก็เลยพุโทโธพุทโธพุดโธพุดโธพุโทโธจนจนมันก็รู้สึกตัวหลุดออกมาค่ะพระอาจารย์แล้วแล้ว ล, ลูกก็แบบว่าไปไปไ ป, ไปเข้าใจว่าเราชนะแล้วแต่แต่ว่ามันพอพอออกมาปุ๊บเนี่ยพอเอ๊ะมันจริงมันมั น, ม, นมันถูกหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ เวลาที่อาการทางจิตมันแสดงแล้วเราพยายามพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้มันหลุดออกมาจากอาการที่มันเป็นนะคะพระอาจารย์ก็ถ้าเรามีพุทโธเราก็อาจจะทําให้มันสงบได้ก็พุทโธไปค่ะตอนนี้พอพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันก็หลุดออกมาออกมาเลยอะค่ะพระอาจารย์อหมายถึงว่าแบบมันก็ออกมาจากอาการนั้นเลยเป็น เป็นเป็นปกติธรรมดาไปเลยนะรู้ก็ไม่แน่ใจว่ามันมันถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ถูกแล้วเพราะเราต้องการรักษาใจให้เราเป็นปกติแหละฮะอ่าอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าดูลมหายใจแล้วก็ปล่อยใ ห, ให้มันเป็นไปแบบนั้นเรื่อยๆใช่ไหมคะพระอาจารย์อเออเราเร า, เราดูลมหายใจถ้าดูจริงๆมันมันก็จะทําให้ใจสงบนั่นอืมอื้อถ้ามันไม่สงบแสดงว่าเราไม่ได้ดู นึกดูแบบดูแบบไม่มีสติมันก็มันก็เลยทําให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าเราดูดูด้วยถ้าดูลมไม่ได้มันเกิดอาการต่างๆขึ้นมาก็ใช้คําิริยการพุโทโธแทนกันก็ได้ช่วงนั้นช่วงที่จิตเริ่มมีอาการผิดปกตินี่แล้วดูล้มแล้วมันหยุดมันไม่ได้ก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปให้จิตมันกลับมาเป็นปกติ ว่สิ่งสิ่งนั้นก็จริงๆมันนเป็ไม่ได้มันเป็นความปรุงแต่งของกิเลสของจิตของจิตนั่นแหละมันเวลาเรามีสติขึ้นมามันก็มันก็ปรุงแต่งเรื่องราอะไรแปลกๆขึ้นมาให้เราได้สัมผัสร้ำลึกไปแต่ดังว่าสติเราตอนนั้นไม่ดีช่วงนั้นไม่ดีค่ะพระอาจารย์ยังลองใช้ดึงสติกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไว้ค่ะ พระอาจารย์คะแล้วถ้าเอาบางทีอ่ะบางทีมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่บางทีเราจะเห็นว่าเรากลนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่มันมจะเป็นแวบๆ แ, แต่ว่ารอบนี้ยลูกเห็นตั้งแต่เห็นเห็นตัวเองอ่ะตั้งแต่ก่อนหลับแล้วก็หลับแล้วก็กลนกลนแล้วก็รู้สึกตัวคือมันเห็นมันเห็นแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์อมันรับรู้แบบนี้เออ่อันนี้คือ จิตใช่ไหมคะพระอาจารย์จิตมันเห็นอาการของร่างกายเออแม้แมกระทั่งว่าหลับใช่ไหมคะ อ, อืมันมันมันจะเย็นยังไงก็ให้ลู้เฉยเฉยไปไหมถ้าเวลาเรานอนหลับเราก็ไม่ต้องไปกำบวยค่ะพระอาจารย์ว่า ย, ยไปค่ะว่าเราเวลาเราหลับเราไม่มีสติที่จะไปควบคุมมันได้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ลู่ตามความเป็นจริงไปค่ะพระอาจารย์ ถ้าถ้าเราปฏิบัติไปถึงที่สุดแล้วมันจะมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยใช่ไหมคะอาจารย์คือมันจะเห็นไปตลอดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่หรอกเวลาเราหลับมันก็หลับมันไม่เห็นอะไรหรอกนี่ยเลหลอบเอรอคะอ๋อรู้รู้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถ้าแบบแต่แต่อันนี้ก็เป็นสภาวะหนึ่งแต่มันก็เป็นความจริงแหละที่เราเห็นใช่ไหมคะอาจารย์เพราะรู้ว่าลูกมีสตินะลูกเห็นนะเออว่าว่ามันเป็น มันเห็นนะคะว่าแบบมันมีอาการแบบนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่ามันไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสำคัญคือคือต้องฆ่ากิเลสใช่ไหมคะพระอาจารย์อถ้าเห็นอะไรก็รู้ว่ามันเห็นไปรู้ว่ามันเป็นตายรักไปฆ่าพระอาจารย์แล้วมันก็ดับไปฆ่าพระอาจารย์ค่ะก็แล้วเรารอบนี้ยค่ะลูกก็แบบปกติลูกไปอลูกก็จะคุยคือจะคุยกับสัตว์อะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะ รอบนี้เนี่ยลูกก็มองตัวเงินตัวทองอ่ะค่ะเขาเขามาเขาเขามาอยู่ใกล้ๆเนาะลูกก็เลยมองตาเขาอะค่ะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาก็มองเขาก็มองมาที่ลูกนะคะแล้วลูกก็เลยลูกก็เลยแบบมันทอดมันมันรู้สึกทันทีว่าเขาก็คือหนึ่งชีวิตเราก็คือหนึ่งชีวิตมันเหมือนเสมอกันไม่มีไม่มีอะไรไม่มีแบบสูงกว่าต่ํากว่าดีกว่าไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันคือหนึ่งชีวิตเท่ากันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความ เข้าใจของลูกมันคิดได้ในตอนนั้นเลยที่ที่มองตากับเขาอ่ะค่ะอืามันก็เป็นขันห้าเหมือนกันเราก็ขันห้าเขาอะขันห้าค่ะค่ะค่ะพระจารย์เพียงแต่ว่าเขาจิตเขาต่ําจิตเขาทํำบาปจิตเขาอะไรไปได้ร่างกายของเดระชานอ๋อค่ะต่างกันดังศีนนั่นเองค่ะค่ะเรามีศีลแล้วก็เป็นมนุษย์เขาไม่มีศีลก็าก็ไปเป็นเดระชานค่ะ รงนั้นก็เหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็ทำจากดินน้ำลมไฟใจก็มีเซตเวทนาสัญญาสัญา ญ, ญาเมญยาณเหมือนกันค่ะค่ะพระอาจารย์มันก็มีเรื่องตลกอันหนึ่งไม่รู้ลูกก็แบบคือปกติเวลาลูกมีของกินไปอะไรใช่ไหมคะมีผลไม้หรืออะไรเงี้ยดีๆหรืออร่อย อ, อะไรเงี้ยลูกจะไม่ค่อยห่วงจะจะแจกแจกหมดเลยอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าถ้าคือแจกได้ก็แจก อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้วันนั้นก็นับทุเรียนไปพอดีเม็ดเม็ดละวันนะคะพระอาจารย์พอดีเลยล ว, วันสุดท้ายแล้วคือปกติถ้าเจอกวางอะไรเงี้ยก็คือจะให้เขาหมดแล้วทุเรียนคือชอบมากค่ะพระอาจารย์แล้วลูกก็นึกขึ้นมาว่าเอาไปให้เขากินเดี๋ยวเขาก็ลืมอยู่ยดีเขาก็คงแบบว่าคืเขากินไปแต่เขาก็ลืมก็ลูกก็เลยบอกเก็บ okay, ไว้กินเองดีกว่าเม็ดสุดท้ายวันสุดท้า ย, ว, ายวันดี ไม่รู้ไม่รู้ว่าอันนี้มันแบบเป็นที่โกงหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ที่เรามาแบบว่าไม่กอไม่เมตตาแน่เลยไม่เมตตาเมตตาตัวเองก็เรียกเมตตาตัวเองปกติจะให้นะไม่หวงเลยนะอะไรไม่หวงไม่ต้บ่นก็ไม่ได้บุญถ้าให้เขาก็ได้บุญถ้ากินเองก็ได้ทุเรียนโอเคถ้ากินเองได้ทุเรียนได้ค่ะพระอาจารย์แต่ก็แบบ แต่มันควรต้องให้อะเนาะให้ให้ไปแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเหลืออะไรไว้เลยคือให้เหมือนให้เพราเหมือนเพระเวสันดอนอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็อยู่ที่ธรรมะแบบดีๆของเราอันนี้ยังมีกําลังมากกว่ากันค่ะอันนี้มันคือข้ออ้างเนาะเราก็ไปนึกว่าเออให้มันกินไปเดี๋ยวมันก็ลืมมันก็ไม่ได้คิดว่าอร่อยเหมือนที่แบบเรากินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไปรู้เราไปรู้ได้ไงว่ามันลืม ขออ้างมันไม่อยากจะให้มันก็เลยขออ้างขออ้างขออ้างค่ะพระอาจารย์ลูกก็คิดว่าเออมันเป็นสิ่งอะไรก็น้อยน้อยคงว่เป็นอะไรมั้งอ่อนจริงๆไม่ได้ไม่ได้เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้บุญนะไม่ได้ไม่ได้เป็นพระเวสสันดรไม่ได้ทานบาลมิไม่ได้ทานบาลมิค่ะทราค่ะได้ได้แล้วค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้ทําจิตให้มีความสุขก่อน แล้วก็เสร็จแล้วตั้งสติแล้วก็ทําสมาธิให้แน่นๆที่พระอาจารย์เมตตาสอนลู ก, กวันนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์อื mm hmm. ค่ะแล้วก็เออรอบเนี้ยลูกก็เลยคือช่วงที่แบบพอพอจิตมันเริ่มมันคือคือคือมันเข้าสมาธิยังไงมันก็มันก็ไม่มันเฉยเฉยอะค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยลูกก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะลรา เราสงบหรือเปล่าลูกก็เลยไปเอาหนังสือเล่มเก่ามาอ่านก็เป็นหนังสือรอยทําเล่มสีขาวอะค่ะพระอาจารย์ที่เออ่ที่พระบัณฑิตพระหมอบัณฑิตนะคะอ่าท่านท่านท่านแสดงคาไว้อ่ะคะ่ะลูกอ่านไปเหมือนไม่เคยอ่านแต่จริงๆทั้งนี้แล้วลูกอ่านเล่มเลยนะคะแต่พอไปอ่านใหม่เหมือนไม่เคยอ่านเลยค่ะพระอาจารย์อ่านไปแค่แบบประโยชน์สองประโยชน้ําตาลูกก็ไหลอีกแล้วอะค่ะพระอาจารย์แบบซาบซึ้งมากก็ก็ ประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์เออค่ะก็ไม่ไม่แน่ใจว่ายังไงก็ไม่เป็นไรนะค่ะก็เกิดปิติกับความทราบเส้นก็เป็นพลังธรรมของท่านครับท่านค่ะค่ะพระอาจารย์<ม>เ อ, อ่อปีนี้ก็ลูกมีเท่านี้เดี๋ยวลูกจะปฏิบัติต่ออย่างที่พระอาจารย์เมตตาสอนครั้งที่แล้วอะค่ะคลูกจ ะ, จะเจริญเดี๋ยววันต้นต้นเดือนก็ไปเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์อเดี ค่ะรู้สึกว่าปีหน้าคงจะต่อเนื่องอ่ะคิดคิดเองนะคะพระอาจารย์สงสัยจะหยุดไม่ได้แล้วอี่ทำได้ไม่หยุดได้ก็ยินดีแสดงว่าตงใส่มันจะหยุดไม่ได้แล้วค่ะพระอาจารย์ติดธรรมะแล้วมติดธรรมะไม่ชันทาแล้วไม่ชันทะวิริยะมีอธิบาศสี่แล้วฟังเพลงฟังอะไรก็ไม่ค่อยคือได้แป๊บๆค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้แบบไม่ได้นานเมือนเมื่อก่อนลดทังทั้จะน่าลทั้งปวง ใช่ค่ะพระอาจารย์ไม่คือไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบเป็นไปได้ขนาดนั้นนะคะพระอาจารย์ไม่มีอะไรจะเดททางความสงบค่ะพระอาจารย์ที่มีความสุขมากกว่าค่ะพระอาจารย์ค่ะพยายามทําไปเรื่อยๆนะแล้วจะมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นไปแล้ววันเดียต่อไปมันก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปได้หมดได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ถึง ค่ะข อ, อนับรองค่ะพระอาจารย์คุวรเอวน า, บ, าบอวินชนบุรีเสวนาเป็นยังไงการทำพิธีการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมฟังธรรมแล้วค่ะมไม่มีอะไรนะไม่มีเจาา้าค่ะตอนนี้โยมก็ฝึกฝึกเรื่องหยุดอยากแล้วก็เจริญสติฝึกสมาธิอตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันหลายๆอย่างน่าจะ กือบๆพร้อมกันนะคะเจ้าค่ะอาจารย์แล้วเพราะว่าอย่างเวลาเรามีสติเราก็จะหยุดอยากได้ง่ายขึ้นมีการใส่จองว่ามันควรจะทําหรือไม่ทําได้มากขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์อแล้วก็ดูายรักด้วยมากก็ดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะดูด้วยเจ้าขาโอเคนะเจ้าค่ะยังไม่ได้กดซูตอนปุซูตอรแทน นมาส ก, การพผูอาจชย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับมีอะไรไหยอยากจะสอบถามเรื่องธาตุดูครับพาาู้อารชีอธาตุดูก็คือใจไงเนี่นที่เรารู้อยู่นี่ก็คือใจเป็นทู้งนู้ที่เราพูดกันคุยกันเนี่ยที่ที่ที่รับรู้ไม่ใช่ร่างกายใจไม่ธานุดูร่างกายไม่มีธาตุดูมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟ แล้วถ้านในเมื่อเมื่อรู้สักแต่ว่ารู้นี่คือรู้เฉยๆหรือว่าเชิญรู้แล้วไม่ให้ไปรักไปชนันไปกลัวไปหลงรู้อะไรเห็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆเห็นเงินเขาให้เงินมามันก็ไม่ให้ไปดีใจไม่ให้ไปอิ่มดีโดนคนโดนโด น, โดนเงินขโมยถูกเขาขโมยเงินไปก็ไม่ให้เสียใจให้รู้ว่ามันเป็นขอธรรมดา ของนอกกายนอกใจไม่ใช่ของเรามันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไ ป, ปทุกอย่างได้ยินเสียงด่าก็เฉยได้ได้ยินเสียงโฉมก็เฉยเฉยนี่ที่นี้กับกับคําที่เขาว่าเป็นการเฉยโดยใช้สมาธิกดนี่งคือยังไงอะครับอ๋อไมนไม่ได้ใช้สมาธิกดออกมันมันเป็นเฉยเพราะว่าจิตมันสงบด้วยกําลังของสติเป็นสมาธิ พอมาจะตสงบนิ่งมันก็จะมีอุเบกขาวางเฉยแล้วถ้าเรามีวางเรามีมากๆเวลาเราออกจากสมาธิมาอาการวางเฉยมันยังมันยังมีติดอยู่ในใจอยู่เวลาไปสัมผัสอะไรก็จะรู้เฉยๆได้ไม่ได้เกิดความโลภความอยากอะไรกับสิ่งที่เราได้ไปรับรูนะ้นะัถ้าอย่างในกรณีถ้าสมมุติว่าไปเจอในสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่พอใจ เราูต้องกลัไไม่พอใจครับผิดแล้วไงต้องเจออะไรแล้วไม่ต้องเฉยเฉยแล้วต้องไม่ฝึกเอกมากจิตเราไม่มีสมาธิไม่มีระเบียบมันเห็นอะไรมันก็จะดีมันก็จะชอบมันไม่แช่งกันถ้าเราไปฝึกสติฝึกสมาธิมากๆแล้วใจมันก็จะเฉยได้เห็นอะไรมันก็จะไม่ยินดีนอะไร ถ้าตอนนี้ถ้ายังเห็นอะไรแล้วไม่พอใจก็ต้องพยายามพากใจว่าเราเราไม่ควรทําอย่างนี้เราควรจะเฉยก็จะได้จะช่วยก็ได้ร้องเขาไปก็ใช้ใช้หลักตรงนี้ห้ามได้อยู่ใช่ไหมครั้ามันถ้ามัาไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธทอพุทโธไปให้มันหยุดอืม ใ ห, ให้เฉยให้เฉยให้ได้อยู่อยู่ที่ที่เดียว อ, อยู่ที่เดียวไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาตอบโต้เขาเราจะดีจะช่วกันให้ของเขาไปช่วยเฉยเลยนะใจไม่ยอมนิ่งเฉยแล้วหุ่นโตหุ่นโตุโหตไปเรื่อมันจะเฉยแล้วก็ปล่อยมันไปนะได้ใครก็ด่าแล้วก็ปล่อยก็ด่ามันก็ผ่านกันแล้ว เราก็แยกกันไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเขาด่าเราอย่าไปอยู่ใกล้ของเราก็แยกทางไปไม่ต้องไปตอบโต้เขาคนเดียวอย่าไปมีเรื่องมวราการมีเรื่องมวรามันเป็นเวเป็นกรรมอะแล้วอย่างถ้ากรณียอย่างเหมือนเหมือนจิตปรุงดีอย่างนี้มันก็มันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความปรุงแต่งอย่างนี้นะแต่สมสมสมสมติว่ากรณีแบบไปเจอ อย่างอย่างที่บอกคือไม่ไม่พอใจแล้วมันมีจิตหนึ่งที่มันกระทบเข้ามาว่าตอนนี้เราเราเหมือนกัเรากาลังโกรธอยู่เราก็พยายามทําให้เราไม่ไม่ไม่ไปเขาเรียกเลยไม่ไปข่มโคมัวกับสิ่งที่ใช่ใช้พุทโธใช้พุทโธอย่างมันได้ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งเดียวก็หายไม่ว่าจะปรุงดีปรุงไม่ดีก็ปล่อยมันไปให้มันหยุดโกงให้มันหยุดโกงเดียวก็ให้มันเชยใช้ให้มันรู้เชยใช้ รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้โลกมันมีทั้งดีมันทั้งไม่ดีเราจะไปเยอะเราไปจะไปเลือกเอาไม่ได้ถ้าแต่มันมาเราก็ต้องรับรู้เฉยๆนะอยากอยากทราบอีกอย่างครอาจารย์เคยเคยได้ยินมีคนบอกว่าฐานของจิตแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันมันหมายความว่ายังไงครับอันนี้มันเอาจริงฐานของจิตมันเหมือนกันคือความสงบ แต่ละคนจะเข้าไปถึงฐานนั้นได้ได้หรไม่กไม่เหมือนกันบางคนยังไม่มีกําลังสติพอเขายังเข้าไม่ถึงฐานแต่ฐานขอจงจิตมีอันเดียวเหมือนกันดืวยความสงบที่พูดถึงเนี่ยที่เป็นวางเฉยนิ่งเฉยนี่แหละคือทางขอจงจิตแต่การจะเข้าถึงจุดนั้นได้มันมันอยู่ที่ความสามารถที่สติของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน ถมีสติมากแล้วเข้าถึงฐานได้ไมีสติเบาก็อยากเข้าไปถึงดังนั้นถ้าถ้าเราฝึกฝึกรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดแล้วและวางไม่ปรุงมันมันก็พอพอฝึกทําได้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราไม่ปรุงได้ก็ดีแค่ <c oughs> รู้ว่าตรงนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นอเออไปสังเกตเดี๋ยวเราจะเจอของจิงกับธรรมท า, ท, าที่เราพูดได้เล่า หลุดหลุดเยอะครับเยอะนั่นงฝึกสติไว้ก่อนฝึกพุโทโธพุโทโธไว้ก่อนแล้วมันจะเค ย, คยเคยฝึกอยู่ครั้งหนึ่ง อ, อาทิตย์หนึ่งอาจรารย์แล้วแล้มันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันขดัดกับกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือเหมือนพอพุโทโธแล้วเรานิ่งนิ่งนิ่งเกินเหตุนิ่งจนจ น, จนเหมือนคนคล้งอเขารู้สึกว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรครับเวลาทำงานก็ยังก็อย่นิ่งแต่เวลาทำงารก็ ก็ต้องทํางานเราสั่งมันได้เราให้มันคิดเรื่องงานเรื่องการได้ทําหน้าที่การงา้ของเราไปแต่พอพอทำเสร็จ เ, เมื่อใดก็ตามพอทําเสร็จเราเรางั่นเราก็กลับมาพุทธแล้วก็มาพุพทธคูณทำนิ่งไปเรื่อยๆ เ, <c oughs> เวลาต้องทํางานก็ามาคับให้มันทําคิดให้มันคิดในเรื่องงานเรื่องการไปทําให้ให้บ่อยที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์ให้จิตมัน ก็ได้เหมือนเหมือนให้จิตมันชินได้มันเฉยได้เวลามันจะได้ไม่วุ่นวายเวลาเชินเห้การอะไรได้เฉยเฉยได้ครับพระอาจารย์กับองฆ์ <Okay. S 2> ก, การมากเดี๋ยวยี่สิบสองจะเข้าไปกับพระอาจารย์ครับท <Okay. S 2> าธรรมะน้กกุติโ okay. อเคคุณ A, เอเิญเอเออีอยู่ที่ไหนคุณเอ พูดถูกไหมเชื่อกรับพระอาจารย์ครับ อ, รอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่หนองแขมครับพระอาจารย์หนองแขมครับม๋นหลายคนนะคระับวันนี้วันนี้ก็เข้ามาฟังธรรมครับไม่มีคําถามเลยนะไม่มีครับโอเคอ่างเ้ยขอไปที่ท่านตอบไปเลยคุณจอยพัทยาจอยวันเช้ามาใสนะ่บาตรวันเกิดอะไรใช่ค่ะ ก็หนูบอกว่าให้เขารีบๆเขาก็วมแถนร้องเพลงอยู่นั่นแหละก่อนอ๋อฮัมหลวไม่เจอชอบใส่หวไว้ด้วยกันนัจากขาวบอยใช่ค่ะเขาทำงานตากแดกเนี่ยแบบดูงานก็ใส่หมวกตลอ่ะไปเกิดไม่ทันแต่ดีดีนะยังทันที่พรอาจารย์แจกทานก็เลยทันถ้าไม่งั้นก็ไม่ทันแล้วคะ วัมพุธคือคนวันธรรมดาคือคนไม่ค่อยเยอะเหบือวันที่หนูไปสรรพานะคะได้วันเสาร์ที่บรรพาคนจะเยอะมินดาดจะยาวกว่านานกว่าใช่นนหนูก็บอกเขาแล้วว่าให้รีบนะคะแต่ตอนนี้หนูกําลังฝึกอ่าณาอยู่นะคะอาณาแบบพยายามรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็เอพยายามให้ได้ได้สักแป๊บมือค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็มันก็กลับไปแล้วก็ดึงกันอยู่อย่างนั้นแล้วค่ะ พอถ้าเผลอๆทำอะไรก็บางทีก็หลุดไปแต่ว่าถ้ารู้ตัวก็กลับมาอยู่พยายามดูตัวดูลมนี่มันจะดีตอนที่เรานั่งนั่งสมาธิถ้าเวลาเราทำงานดูงานที่เราทำดีกว่าแต่ถ้าไม่ไหวหนูก็เอาพุทโธมาค่ะเอาพุทโธก็ได้เพราะว่าถ้าไม่มีพุทโธกำกับใจมันมันไปตเตลือตเตลือไปไหนก็ไม่รู้อ่ะคิดคิดฟุ้งซ่านไปที่บ้านมาขอแตง ค่ะรู้ตัวเองนะว่าคิดแต่ก็ห้ามไม่ได้ว่าทำไมมันจะคิดขนาดนั้นก็ไม่รู้ค่ะมันเป็นนิสัยมันเหมือนรอดวิ่งของเขาอะค่ะหนูก็พยายามพูดอยู่มันใช้พูดโทคอยเบรกมันคอยหยุดมันให้มันช้าลงค่ะหนูจะพยายามทำาปล่อนี่ละมาถึงมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วที่อยู่กับเขาได้ใช่ไหมค่ะ S <S อดทนให้ได้ค่ะแล้วก็มีพุทธโธมีสติเงี้ยถือว่าโอเคแล้วทำต่ อ, อไปนะค่ะเดี๋ยววันพากล่าใส่บาทมาเดิมโอเคอใคที่คนที่มาวันนี้มาภาษาไทยาากราบส้ำพระสกุลการวันนี้ไม่ได้อยู่ดอนเมืองคะ่ะวันนี้หนูอยู่ดานางังดานาังไปทำอะไรเ น, นค่ ะ, คะ เพอมาฟังผอนคะคะพระอาจารย์มาพักผ่อค่ะทำงานการการทาทางานสายการบินนอะอ่าเป็นตอมอค่ะอ่าเป็นตอมค <c oughs> ่ะวันนี้ไม่มีคาถามมากับพระอาจารย์เฉยๆคะ่ะแล้ววันนี้มีพี่คนนึงมาด้วยค่ยะกลับมาเชิญอาจารย์คะปกติหนูจะฟังพระอาจารย์ผ่าน ด็อกเตอร์พีชาแนลค่ะผ่านใน y o u t u ู e ค่ะฟังสดแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ชอบฟังปาจ์ันบ่อยๆด้วยค่ะแต่วันนี้น้องชวนมาซูมด้วยกันเลยค่ะเออก็ดีก็เข้ามามารวบกันได้ค่ะอยู่ด้านนังด้วยกันเนียตอนนี้ไชค่ะโอเคเที่ยวให้สนุกเลยนะจ้าสาวเพื่์คืนค่ะปาร์ตัแข็งแรงค่ะจ้านาเดือเหลือไทบ้างคุณ อ่าแม่น้องเนนีแม่น้องเ ล, น แ, น, งลนแม่น้องนเช่นสวัสดีค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ยินชัดเจนจ้าค่ะวันนี้ก็มาฟังค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรค่ะโอเคอันนี้เหลือการกี่เท่า ไ, ไม่ถึงสามสิบสองอ่ะเอออาจารย์ค่ะคือตอนนี้ก็คืออยู่กับ มันให้เป็ น, นเจ้าค่ะอย่างเช่นมีเครื่องที่ห้อยกระโหลกแต่มันก็ไม่ได้มาเจ็บหรือทรมานเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยอยู่กับมันให้เป็นเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ตามสภาพ<จ>อย่าไปทุกข์กับมันเจ้าค่ะมันก็เลยไม่หนูก็เล ย, ไ ม, เลย ไ, มไม่มีอาการปวดอะไรเจ้าค่ะก็ใช้ธรรมะโอสถเจ้ mm. าค่ะพระอาจารย์ในปัจจุบันหนูก็เลย mm. กล้าพูดว่าเป็นอันดับหนึ่งของจักรวาลเจ้ mm. าค่ะพระอาจารย์ mm. ยาดีที่สุดยาวิเศษที่สุดแค่ไหนแต่ว่าโอสุดดีใช่เจ้าค่ะหนูก็เลยถึงหนูจะผ่าสมองไปก็ไม่มีก็ไม่ได้ทานยาอะไรเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไอาการชักก็ไม่มีดีดีมากแสดงสติเราดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็พุทธโธก็คืออยู่กับร่างกายก็คือเหมือนเป็นการเอามาใช้ตอน ตอนที่เป็นแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มีสติตั้งแต่คือนรถมีนั่งวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนนั่งขี่ม้าต้องประคองร่างกายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ทุกอย่างเลยค่ะก็หนูก็เลยบอกว่าพุทธโทรสำหรับหนูนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช้ได้เป็นพลังเหมือนเป็นดีเลอรเลยสติพร ะ, าะอาจารย์เนี่ยสติมันเป็นทำที่สําคัญที่สุดเลยครัเจ้าค่ะก็ใช้พุทธโทมาตลอดแล้วนั่นเจ้าค่ะ กาวเท้าซ้ายเท้าขวาก็อยู่กับตัวเองนะค่ะกับการเคลื่อนไหวเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่กล้ามันเจ้าค่ะพระอาจารย์พอมานอนความฝันหนูหายไปจริงๆเจ้าค่ะพอหนูฟังพระอาจารย์ไปเรื่อยๆแล้วหนูก็ปกติเวลาหนูฝันอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะหนูชอบโพสลงในเฟซว่าหนูฝันเรื่องนี้เรื่องนี้ปัจจุบันหนูไม่มีอะไรโพสต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะมันไม่มีความฝันออืทำไมต้องไปโพสต์ด้วยล่ะหนูไปคนชอบ เวลามีรูปภาพจะเอามาลงเฟซเจ้าค่ะอาจารย์พอเป็นเป็นเรื่องสมองก็จะมาดูว่าเฮ้ยเราพิมพ์ผิดไหมอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเช็คเหมือนฝากฝักสมองอีกอันไว้ในโทรศัพท์เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าว่ามีอาการหลงมีลืมมีอะไรอย่างเงี้ยไหมเจ้าค่ะมันเช็คตัวเองเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเอ้ยวันนี้เราโกรธโกรธใครไหมอะไรอย่เงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนเช็คตัวเองเป็นเหมือนแบบเป็นเช็คตัวเองไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะในปัจจุบันก็เลยบอกว่า ว่าเลา่นโทรศัพท์นี่ต้องเล่นให้เป็นคนฉลาดนะเจ้าค่ะอาจารย์พิจารณาตัวเองไปแล้วกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์โดยที่ไม่ต้องไปว่าใครว่าตัวเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์โดยที่คุณโอตากุณโออยู่ที่ไหนกุนโอเปิดไปได้ไหมอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนกุณโอ ยูคูเก็บเจ้าค่ะพอาจารย์คูเกตอ่ะค่<า>อะไไอาทิตย์ที่แล้วก็เข้ามาเจา้าค่ะอืมอาทีตนี้มีอะไรจะถามไหมมีเจ้าคะ่ะเจอนอาจารย์เจ้าคะปกติช่วงเข้าพรรษาะค่ะก็คือลูกทํามาประมาณจะสามปีแล้วคะ่ะคือลูกจะงดทานข้าวหลังเที่ยงช่วงเข้าพรรษาอะเจ้าค่ะทุกวันเพราะว่าไงไงใช่เจ้าค่ะพอาจารย์พเพราะว่าอ่าเป็นคนกินจุกกินจิตเจา้าค่ะพอาจารย์อ่าก็ดี ก็เลยเลยดัดนิสัยเรื่องนั้นไปแล้วก็มันมันสะดวกเวลานั่งสมาธิแล้วไม่น่วงนอนอะไรอย่างนี้เจ้ค่ะอ่าถูกต้องแล้วก็เรีนเร็วได้เจ้าค่ะอาจารย์ตีสามกว่าอะไรอย่างที้ช่่ช่วงเข้าวันษาอืมนะคะแล้วก็ทีนี้แต่ว่าคนนอบข้างก็าจจะไม่เข้าใจเขาจะบอกว่าลูกสุดโต่งอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็คือเขาบอกยั่งล่ะสุดโต่งต้องแบบพระพุทธเจ้าอดข้าวสี่สิบเก้าวันนี่นะในยาสุดโต่งก็ แต่ว่าพอพอออกพรรษาจะเข้าพรรษาเหมือนช่วงนี้ก็คือถ้าไม่ใช่ช่วงเข้าพรรษาลูกก็จะงดทานหลังเที่ยงประมาณอาทิรสามถึงสี่วันอย่างนี้เจ้าค่ะอมก็ดีอดได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะกินมากมันก็มีแต่ปัญหามากมีอุปสรรคในการภาวนาแล้วก็ทำให้เราติดตดิติดในรสชาติของอาหารนี่ งั้นอดได้ดีไม่เสียไม่เสียหายถ้าร่างกายเราสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการอดอาหารก็โอเคแต่ถ้ามันเริ่มมีปัญหาก็อาจจะต้องมาปรับถ้ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นมาจากการการอดอาหารเราก็ต้องปรับแต่ถ้าไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องปรับ แต่พอดีว่าช่วงปีที่แล้วเจ้าค่ะพรอาจารย์ต้องขอบพระคุณธรรมะจากพระอาจารย์มากเจ้าค่ะพอดีว่าลูกอ่ะตรวจเจออ่าเป็นเรื่องงอกที่มดลูกเจ้าค่ะพรอาจารย์ขนาดใหญ่เลยเจ้าค่ะก็เลยต้องตัดมดลูกทิ้งไปเจ้าค่ะแล้วทีนี้อ่าพอพอหลังจากผ่าตัดผ่านไปได้สั ก, กเกือบเดือนนะคะลูกก็เลยกลับมาผ่อนอาหารต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ดีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม เหมือนเหมือนลงสนามสอบมือนกัเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะได้ธรรมะจากพระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงที่พ่าตัดก็คือว่าเหมือพอตรวจเจอเนี่ยเราเราไม่ได้ตกใจอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าลูกเราฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วก็คือพิจารณาตามแต่นั่ ง, น, งนั่งสมาธิลูกปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะแต่แบบว่ายังไม่ลงสู่ความสงบได้จากพระอาจารย์อาศัยแบบว่าปัญญาช่วยไปก่อนองเจ้าค่ะมันต้าทั้งสองอย่างถ้าไม่มีสมาธิเลยมันก็จะทำใจไม่ได้เจ้าค่ะ พยายาฝึกสมาธิมากมากแล้วกันปัญญาด้วยปัญญาก็พิจารณาตายรักร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่จิตตายนะพิจารณา บ, าบา่อยๆวั น, วนๆหลายๆหลายหลายครั้งเกิดมาแนละ้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาโอเคนะจ้าคะน้องกับปาพุจ้ะค่ะ ยังม่อกีเห็นเป็นเกิดบันเด็จยังอยู่วาบาเป็นบันเด็จคนหลับตอนนี้มาตั้งครับอาจารย์หลัไม่ไงครับนากสอบถามอาจารย์มันจะมีอาการเหมือนเวลาเดินเดินก็พยายามจะมีสติก็คือจะพูดโทรสารอย่างเงี้ยทีนี้มันยอดมีเหมือนเกิดลักษณะเห ม, มือนหายใจติดๆิกระขาดครับอาจารย์เหมือนเวลาเราทำงานไม่มีไม่เป็นไรครับแต่พอกลับมาบอกว่ า, ว า, วารู้สึกตัวปุ๊บมนเริ่มแบบหายใจไม่ค่อย เต็มเท่าไหร่ครับเพราะเวลาที่เราเจริญพุโทโธเลยใช่ใั่ปกติก็จะบางทีมันเผลอแบบจะดูลมมันก็จะมีคําว่าพุโทโธเข้าไปด้วยครับมาจารย์เราเราทิ้งลมไปได้ไหมไม่ต้องไปใช้คําพุโทโธอย่างเดียวไปพุโทโธอย่างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์พุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปกข้วันเรื่องลมลมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับ บางทีไม่มีคำอะไรก็รู้สึกหายใจลำบากไปนงครับก็รู้สึกเหมือนมันหายใจเนี่ยช่วงดีตอนฟังพระอาจารย์ครับก็ลมรายใจมันไม่แน่มันก็ไม่เทียงบางทีมันก็ราเร่นบางทีมันก็อาจจะมีปัญหามันอยู่ที่จิตใจของเราบางทีมันไม่เป็นปกติการหายใจมันก็จะไม่ปกติได้ครับก็ได้มีหาคลิปของพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าก็ดูมันไป มันอย่าก็อย่าไปสอนใจเดี๋ยวมันก็ให้มันมองเป็นอนิจจังไปอมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปโอเคแต่เราใช้พุทโธพุทโธช่วยให้มันให้มันให้มันนิ่งได้มันสงบได้คือพุทโธเร็วๆก็รู้สึกมันก็แน่นครับพระอาจารย์แต่ถ้าเกิดหายใจเฉยๆเนี่ยปลักเริ่มสึกเริ่มกลับมาอืมเหมือนพอฟังญาติธรรมพูดก็ฟังพระอาจารย์พูดก็สึกมันคลายครับอาจารย์อื คือเวลาทำพุโทโธนี่มันไม่จำเป็นจะต้งองผูกไว้กับลมเสมอมันไม่ต้องผูกก็ได้ลมอย่างเดียวก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่จะผูกก็ได้เราก็ต้องดูสถานการณ์ว่าอย่างไหนมันเหมาะเราก็ใช้อย่างนั้นไปครับถระธรมพัฒน์หลวงพ่อหลวงกดท่านก็บอกว่าถ้าเป็นปุ๊บให้หายใจเลือกทิ้งออกยาวๆสักสี่ห้ารอบเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็เลยพยายามลองดูครับพระอาจารย์ เดี S <S ๋ยวก็จะลองที่ป้าจาั์แนะนำด้วยครับา้าจาันแห้ผู้ชมน่าจะดีกว่าครับใายครับจะน้องนำไปปฏิบัติครับป้าจารน์ต่แล้วราถ้าแข่งแข่งแรงครับโอเคหมดแล้วก็คุณคนล่ามีคำถามอะไรมคุณลามีทั้งหมดห้าคำถามจากทาง Facebook และ Youtube เจ้าค่ ะ, ะคำถามแรกจากคุณขวัญกราบเจ้าค่ะ เราจะให้ใจมีสุขทำอย่างไรเจ้าค่ะสาธุค่ะเราไม่สงบเลยใช้พุโทโธท่อพุทโธพุทโธไปทั้งวันใจยังมีความสุขถ้ามีพุโทโธแล้วใจจะว่างใจยังไม่คิดมากใจจะเบาใจยเย็นจะมีความสุขมีสี่คำถามจากคุณแคทเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอโอกาสถามคำถามข้อที่หนึ่ง คาราวาสามารถปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดแห่งทุก์ได้หรือไม่ค่ะได้ไม่ว่าจะเป็นคารวาวาหรือพระอยู่ที่พกูกอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยอายุมไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติดีหรือเปล่าปฏิบัติชอบเปล่าสืบปฏิปันโนุงชุยญายาซาไมจิปฏิปันโนหรือเปล่าคือปฏิบัติให้เต็มร้อย ทำทานให้เต็มร้อยรักษาศีลให้เต็มร้อยภาวนาให้เต็มร้อยอย่างนี้มันก็สามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคำถามที่สองถ้าคาลวะาปฏิบัติถึงที่สุขแห่งทุกได้แล้วจะตายภายในเจ็ดวันหรือไม่คะไม่ตายหรอกเกี่ยวกันความเป็นความตายไม่อยู่ที่การบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรม คำถามที่สามและสี่ขอรวมคำถามเจ้าค่ะคารวาสเมื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วสามารถทำหน้าที่สามีภรรยาในเชิงลึกคือมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่ถ้าทำได้หรือทำไม่ได้ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายให้พอเข้าใจค่ะแล้วแต่ว่าบรรลุถึงขั้นไหนถ้าขั้นแรกพระโสดาบันเนี่ยก็ยังยังมีกิจกรรมทางเพศอยู่ก็ยังตัดไม่ได้แต่ถึงขั้นที่สามขั้นพระนารายณแล้วก็จะ ตัดกิจกรรมทำเพศไปเพราะว่าจะเห็นร่างกายว่าไม่สวยงามเห็นร่างกายเป็นซากศพเห็นลเห็นอาการสารสิบสองเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นกระดูกแล้วก็วัยวะต่างๆถ้าเห็นอย่างนี้แล้วการอารมณ์ที่เคยมีมันก็จะหายไปถ้าไปถึงขั้นที่สามพระอนาคามีก็จะไม่มีการเสพการยา ถ่าจะอยู่อย่า ง, างสามีภรรยาก็จะแยกกันอยู่ไปบวชกันอย่างมีพระอาจารย์ครูอาจารย์พรหมเขาได้ยิดชื่อไปลงปู่พรหมนี่ท่านกับภรรยาก็ท่านเมื่อก่อนท่านก็เป็นเศรษฐีแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมอย่างท่านมีศรัทธาอยากจะออกบวชท่านกับภรรยาก็ไปบวชกันภรรยาก็บวชทีท่านก็บวชพระ ได้ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นแล้วก็บรรลุเป็นพระซึ่ส่วนภรรยาไม่ทราบไม่ได้ไม่ได้ยินขา่าวถ้าใคร ไ, ได้บรรลุธรรมแล้วนะมันจะมันมีรสแหกธรรมที่ที่ที่ดีกว่าที่มีความสุขมากกว่ารสของกรมมันก็จะไม่อยู่มันจะไม่อยู่ร่วมกองใครแนละ้วมันจะแยกกันอยู่ท้าวมีก็อยู่ทางภรญญายก็อยู่ทางนึงคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะ